ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรยัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้หัวข้อที่จะมาบรรยายให้ฟังนะก็ท่านผู้จัดท่านก็บอกว่า น, นีให้พูดตามหนังสือเล่มนี้ ท่านใดยังไม่มีนะก็ไปขอมาได้บางท่านเคยอ่านแล้วแต่เปิดได้สองสาหน้าก็หลับนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนคัมภีร์ยังไงไม่ทราบนะวันนี้จะมาพูดให้ฟังเป็นเบื้องต้นก่อนท่านใดที่สนใจก็จะได้ฟังให้เกิดความเข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วก็ไปอ่านต่อนะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้จริงๆก็เป็นการบรรยายนั่นแหละ แต่บรรยายในยที่อื่นมีหลักฐานอ้างอิงต่างๆหัวข้อก็คืออริยมรตมีองค์8ประตูสู่อมตะธรรมนะเป็นหนังสือชุดโพธิปักกิยธรรม37ประการเล่มที่5ห น, ะนังสือชุดนี้จะมีอยู่5เล่มนะครับท่านไหนยังไม่มีก็ไปหานะแต่หาแจกนะไม่ใช่หาซื้อมีแต่ของแจกนะครับก็ท้ายหนังสือจะมี ชื่อเว็บไซต์อะไรต่างๆเข้าไปขอได้ที่นี่ก็คงจะมีอยู่บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ครบทั้งหมดใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะก็สามารถขอไปทางอินเทอร์เน็ตก็ได้อะไรก็ได้หรือไปเอาจากสถานที่ที่ผมไปบรรยายก็ได้บางที่ก็จะมีไปวางไว้นะครับอันนี้ก็ยังสามารถหาได้เพราะว่าเป็นหนังสือที่ค่อนข้างใหม่พอสมควรก็จะมีนะ ทานหนังสือบางเล่มเก่าๆบางทีก็จะหายากนิดนึงแต่ว่าก็ยังมีไฟล์เป็นเอกสารเอาไปอ่านในมือถือหรืออะไรต่างๆได้ในอินเทอร์เน็ตมีนะครับสำหรับวันนี้จะมาพูดตามหนังสือนี้แหละแต่ว่าจะไม่ได้พูดเนื้อหาทั้งหมดเพราะว่าหนังสือก็ก็เป็นหนังสือก็คือมีพระไตรปิฎกมีพระสูตรมาอ่านให้ฟังวันนี้จะพูดแบบย่อๆพูดแบบย่อๆให้เข้าใจง่ายๆ แต่เนื้อหาเหมือนกันเนื้อหาแบบเดียวกันเพียงแฉ่คำพูดอาจจะไม่เหมือนกันบ้างเล็กๆ น, น้อยๆแล้วก็ไม่สมบูรณ์ทั้งหมดเพราะว่าพูดถ้าเอาแบบวิชาทั้งหมดบางทีหลับไปก่อนนะก็ต้องพูดในลักษณะที่ทุกท่านพอจะเข้าใจได้เลยตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็ที่สาคัญคือสามารถนาไปพิจารณาได้ปฏิบัติได้นะเรื่อง อริยมรรคมีองค์8ดซึ่งเป็นหลักธรรมฝ่ายโพธิปัจกิยธรรมนะคำว่าโพธิปัจกิยธรรมโพธิปัจกียธรรมนี้ก็หมายถึงธรรมะที่เป็นฝ่ายของโพธิโพธิแปลว่าปัญญาตรัสรู้ตรัสรู้ก็คือไม่ใช่รู้ธรรมดารู้แล้วมันก็รู้เลยไม่มีกลับเป็นไม่รู้อีกเพราะรู้สิ่งที่มันเป็นจริงอย่างนั้นฉะนั้นในเมื่อสิ่งที่มันเป็นจริงอย่างนั้นเราไปรู้แล้ว มันก็ไม่มีวันกลับกลายเป็นอย่างอื่นหรือไม่มีวันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นความรู้นั้นก็เป็นความรู้ระดับโพธิภาษาไทยเรานิยมแปลว่าตรัสรู้จริงๆก็รู้นั่นแหละแต่ว่ามันรู้สิ่งที่พิเศษคือสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นมันรู้สิ่งที่เรียกว่าลึกซึ้งที่สุดสูงสุดนะอย่างนี้ เมื่อรู้สิ่งสูงสุดแล้วก็จะทำให้จิตของเรานั้นถอนออกจากความไม่รู้ได้นะเหมือนเราไปเห็นความสว่างที่เป็นสว่างจริงๆเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่มืดลวเพราะมันสว่างจริงๆนะถ้าเป็นสว่างไม่จริงสว่างของหิ่งห้อยหรือสว่างของเทียนอะไรเล็กๆๆ็กน้อยนพวกนี้มันก็ดับได้นะแต่ถ้าเป็นสว่างจริงๆมันก็ไม่มีการที่จะมือดอีกต่อไปต้องไปเห็น สิ่งที่ช่วยให้สว่างจริงๆมันก็จะพ้นจากอํานาจของความมืดอํานาจของความมืดอํานาจมืดก็คืออํานาจกิเลสที่มันครอบงําจิตใจของเราอยู่ตอนนี้เรายังไม่พ้นจากอํานาจมืดอํานาจมืดอํานาจของความมืดนะเดี๋ยวสักหน่อยทุกท่านจะเห็นอนุภาพของอํานาจมืดขนาดนั่งฟังธรรมยังหลับได้คิดดูกันขนาดนั้นอํานาจเป็นมืดขนาดนั้นนะขนาดอยู่ใกล้แสงสว่างต่อให้นั่งหน้าองค์พระเนี่ย อำนาจมืดก็ก็เรียกว่ายังทํางานได้อยู่นะพระก็เอาไม่อยู่พูดภาษาเราต่อให้ใส่ชุดขาวก็นั่งหลับเหมือนกันขี้เกียจเป็นเหมือนกันกโกรธเป็นเหมือนกันต่อให้ใส่ผ้าเหลืองเลยนะอำนาจมืดเนี่ยมันขนาดนั้นอำนาจมืดเขาเรียกว่าอำนาจอวิชชา น, นั่นเองเป็นความไม่รู้สัจธรรมไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่รู้ความเป็นจริงนะนี่ความหมายของคําว่าโพธิแปลว่าตรัสรู้ จริงๆก็คือรู้ธรรมดานี่แหละแต่มันไม่ธรรมดาเพราะมันรู้สิ่งที่เป็นสัจจะเป็นความเป็นจริงสัจจะก็คือสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นจึงเรียกว่ามันเป็นสัจจะถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นหรือมันเป็นอย่างอื่นไปได้แปลเป็นอย่างอื่นผันเปลี่ยนไปเรื่อยมันก็ไม่เป็นสัจจะสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสัจธรรมถ้าเป็นผู้ที่รู้อย่างชัดเจนสูงสุด คือพระอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าองค์ไหนองค์ไหนก็จะตรัสรู้สิ่งเดียวกันแล้วก็มาสอนสิ่งเดียวกันเพราะว่าถ้ารู้สูงสุดแล้วจะรู้ต่างกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความเป็นจริงเป็นสัจจะเป็นสิ่งสูงสุดแล้วไม่มีอะไรจะสูงไปกว่านี้แล้วนะการรู้สิ่งที่เป็นสัจจะเป็นสิ่งสูงที่สุดนะภาษาไทยเรานิยมแปลว่าตรัสรู้ภาษาบาลีก็คือโพธินั่นเอง โพธิก็คือปัญญาโพธิหรือปัญญาตรัสรู้ปัญญารู้สัจจะรู้ความเป็นจริงนะถ้าท่านไหนได้เรียนทางหลักธรรมบ้างปัญญาโพธิก็พูดเป็นหลักการก็คือปัญญาที่รู้อริยสัจสี่เมื่อรู้สัจจะสี่แล้วก็จะทำให้ตื่นจากอำนาจมืดก็คือตื่นจากความหลับคือกิเลสความหลับนี่คือกิเลสนั่นเองอานาจมืดทั้งหลายก็คือกิเลสนะ คนที่ยังไม่เห็นสัจจะสี่ยังไม่เจอแสงสว่างนี้จะตกอยู่ในอำนาจมืดแม้ตอนนี้จะไม่มืดแต่ว่าอำนาจมืดมันยังมีอิทธิพลครอบงาจิตอยู่นะอย่างถ้าพวกเรายังไม่เป็นพระอริยเจ้านี่ยยังไงก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจมืดถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่มืดหรือความมืดจะยังไม่มีอำนาจตอนนี้แต่มันตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันนะอย่างนี้ก็แน่นอนว่าจะต้อง โดนอำนาจมืดครอบงําสักวันหนึ่งนะพวกเราก็คงโดนครอบงําอยู่เป็นประจําเช่นไม่อยากโกรธนี่มันก็โกรธนะนะหรือว่าตั้งใจจะขยันแต่มันขี้เกียจนะอย่างนี้ยิ่งโดยเฉพาะมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยความขี้เกียจ ร, รู้สึกจะคืบคลานตามมานะพอมันคลานตามเรามาเราก็คลานตามมันไปคลานไปคลานมาก็เจอที่นอนหมอนมุง้งหลับ นะแค่นั้นแหละนะคลานไปคลานมาก็เจอของกินคลานไปคลานมาก็เจออาหารร้านอร่อยแล้วก็เล่นเฟซบุ o กน้ำลายยืดไหลอยู่เนี่ยก็วนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอำนาจมืดนั่นเองอำนาจมืดนะทีนี้ตัวธรรมะหรือตัวเงื่อนไขที่จะทําให้เราพ้นจากอำนาจของความมืดก็คือโพธิ ป, ปัจญาธรรมนะธรรมะก็คือเงื่อนไขหรือเหตุหรือปัจจัยนะ ตัวเงื่อนไขหรือธรรมะที่เป็นเหตุเป็นเหตุในฝ่ายของปัญญาโพธิรวมเรียกชื่อว่าโพธิปักกิยะธรรมนั่นเองนะโพธิก็คือปัญญาที่ตรัสรู้ปัญญารู้สัจจะทั้งสีรู้ความเป็นจริงที่มันเป็นอย่างนั้นมันไม่แปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะปักกิยะแปลว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายนี้เป็นข้างนี้ข้างนี้หมายเขาว่า ในตัวพวกเรามันจะมีอยู่สองข้างแต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบเพราะว่ามีอยู่ข้างเดียวตลอดเลยคือข้างพยามานข้างวัตตสงสารหรือข้างความมืดยังไม่มีข้างสว่างข้างสว่างนี้จะ ต, ต้องมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้ามาโยนิโสมาปฏิบัติตามันนี้เรียกว่าข้างสว่างข้างสว่างนี้ก็คือข้างโพธินั่นเองบางท่านก็มีแต่ยังน้อยอยู่อันนี้ก็ต้องมาเพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้น ปักขียะแปลว่าข้างหรือฝ่ายนะว่าไปแล้วทางพวกเราในจิตใจของพวกเราเนี่ยถ้าได้ฟังธรรมะบ้างแล้วมีความรู้ความเข้าใจต่างๆก็จะมีอยู่สองข้างข้างที่1ก็ข้างอาวิชชาข้างความไม่รู้ไม่รู้ความเป็นจริงอันนี้มันเป็นพื้นฐานเก่าดั้งเดิมที่ครอบงำพวกเรามาจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยใจคอต่างๆนะอันนี้ เรียกว่าข้างวัตตะสงสารข้างอาวิชชาอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายจึงมีเป็นต้นไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความเกิดขึ้นของกองทุกขทั้งมวลก็ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้เริ่มต้นจากเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยไล่ไปจนถึงชาติคือความเกิดตอนนี้พวกเราก็มาเกิดเป็นชาติชาติแบบคนนะ เมื่อมีชาติแบบคนก็ต้องแก่อย่างคนแล้วก็ตายอย่างคนแล้วก็เกิดใหม่หมุนวนอันนี้เป็นฝ่ายวัตฏสงสารนีฝ่ายหนึ่งนะอันนี้รู้สึกจะเป็นฝ่ายเจ้าประจําของพวกเรานะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายทําลายอาวิชชาทําลายอาวิชชาอันนี้จะนานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งก็คือต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วเราก็ต้องมีศรัทธาเลื่อมใส ได้มีโอกาสในการฟังธรรมเอาธรรมะมาใส่ใจก็จะเกิดความสว่างได้บ้างนะแต่ความสว่างด้านนี้มันจะยังไม่สมบูรณ์ถ้ามันสมบูรณ์ก็จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อเราไปเห็นสัจธรรมแล้วมันจึงจะไม่มีวันมืดอีกต่อไปเรียกว่ามันไปแต่ข้างสว่างก็คือตั้งแต่พระริยเจ้าชั้นโสดาบันเป็นต้นไปนี้จะไปแต่ข้างสว่าง ถึงแม้จะมีอุปนิสัยทางด้านมืดคือกิเลสตามมาบ้างแต่ว่าตอนนี้ท่านไปทางสว่างแล้วก็เหลือแต่สว่างเต็มที่เท่านั้นเองส่วนพวกเรานี้มันก็เคยชินมาทางฝ่ายด้านมืดก็อาจจะเจอแสงสว่างบ้างแต่ว่ามันไม่สว่างจริงมันพลุพลุโผล่โอันนี้ก็ต้องฝึกกันนะธรรมะที่จะเป็นฝ่ายสว่างช่วยให้เราเข้าถึงความสว่างอย่างแท้จริงก็คือโพธิปักกียธรรมนั่นเอง เราฟังไว้จะได้มีความรู้ความเข้าใจนี่ความหมายของโพธิปักขิยธรรมธรรมะก็คือสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเราเขามันเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดปัญญาโพธิปัญญาโพธิปัญญาเห็นอริยสัจนี่มีเงื่อนไขเยอะเหมือนกันนะถ้าพูดสูงสุดพูดเป็นญานี่เขาเรียก ว, ว่ามรคยานญาณที่เกิดกับมรคจึงจะเห็นสัจจะสี่ เห็นความเป็นจริงที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะได้ไม่กลับไปมืดอีกต่อไปจะได้ตื่นจากความหลับคือกิเลสได้จะได้พ้นจากอํานาจของกิเลสอย่างแท้จริงได้ไม่งั้นมันไม่พ้นจริงนะมันพ้นแบบพ้นบ้างไม่พ้นบ้างมันก็คือไม่พ้นนั่นแหละเหมือนกับพวกเราพ้นจากอํานาจของที่นอนนะเช่นมันขี้เกียจมันก็วันนี้นึกอยากจะฟังธรรมมันก็พ้นจากอํานาจของความขี้เกียจนะก็พ้น แต่ไม่พ้นจริงเดี๋ยวสักหน่อยมั น, ม, นมันขี้เกียจคืนนะอย่างนี้ทํานองนี้เรียก ว, ว่ามันไม่พ้นจริงมันกลับไปกลับมาแต่ถ้ามีธรรมะฝ่ายโพที่มันก็จะพ้นจริงๆเวลาเป็นพ้นแล้วมันก็จะพ้นเลยนะอย่างนี้ทํานองนี้อันนี้คือความหมายของโพธิปัจกียธรรมโพธิปัจกิยธรรมนั้นมันมีอยู่7หมวดมี37ประการด้วยกันถ้าจําแนกแยกแยกละเอียดแล้วนะ ก็เริ่มต้นตั้งแต่สติปัฏฐาน4เป็นต้นมานะในคราวที่แล้วผมก็ได้บรรยายสติปัฏฐานสไปแล้วได้บรรยายวันนี้จะบรรยายหมวดสุดท้ายก็คืออริยมรรคมีองค์8นะจริงๆถ้าเข้าใจหมวดใดหมวดหนึ่งก็เชื่อมโยงกันได้หมดเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่อันหนึ่งเป็นตอนตั้งต้นอันหนึ่งเป็นตอนประตูหรือเป็นตอนสุดท้ายอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นตอนสุดท้าย ถ้าเรามีปัญญาเยอะเราก็ฟังตอนสุดท้ายเลยก็ได้ก็เหมือนเราเรียนหนังสือมาเยอะเราก็ฟังปริญญาตรีเลยก็ได้ไม่ต้องปฐมอะไรก็ได้พวกเรานี่หน้าเป็นไงบ้างเนี่ยปฐมหรือปริญญากันแล้วตอนนี้ก็มาฟังอริยมรรคก็คล้ายๆปริญญากันแล้วอะไรเงี้ยนะคล้ายๆอย่างนี้แหละก็ได้หมดนั่นแหละจริงๆก็ฟังได้ทั้งนั้นฟังได้ถ้าส่วนใดที่เราฟังแล้วเอ๊ะยังไม่เข้าใจนะเรื่องนี้เราก็ไปฟังอันล่างๆ ลงไปกว่านี้เพื่อจะได้เข้าใจให้ละเอียดลึกซึ้งแล้วก็มาทำให้มันครบสมบูรณ์เท่านั้นเองนะวันนี้จะมาพูดให้ฟังเรื่องอริยมรรคมีองแปดซึ่งเป็นหลักธรรมในภาคปฏิบัติที่สมบูรณ์เพวกเราจะได้เข้าใจถึงตัวปฏิบัติอย่างแท้จริงนะอย่างมานั่งฟังธรรมนี้บางท่านว่าเอ๊ยยังไม่ค่อยได้ปฏิบัติมันจะน่าจะมีการซ้อมปฏิบัติหัดให้นั่งสมาธิ ให้เดินจงกรมกันบ้างอะไรบ้างก็คิดไปนะแต่ที่จริงตัวปฏิบัติอย่างแท้จริงมันไม่ใช่เดินจงกรมไม่ใช่นั่งสมาธิไม่ใช่กําหนดลมหายใจตรงนั้นตรงนี้นะตัวปฏิบัติอย่างแท้จริงมันคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกนะในตอนนั่งนี่เราต้องใส่ความเห็นถูกเข้าไปนะเราต้องต้องมาฟังก่อนว่าความเห็นถูกต้องสัมมาทิฏฐิมันเป็นอย่างไรแล้วก็ใส่เข้าไปในการนั่ง การนั่งจึงจะเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าเรานั่งแล้วนั่งไปเรื่อยนะแต่ว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรไม่ได้ใส่สัมมาทิฏฐิเข้าไปไม่ได้ใส่เข้าไปในใจเราเนี่ยจะนั่งไปจนตายมันก็ไม่ใช่เป็นนั่งปฏิบัติธรรมมันนั่งให้แก่ตั้งนันแหละนะบางท่านยิ่งหนักกว่านั้นอีกมานั่งแล้วหลับอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องนั่งก็ได้นอนเอาก็ได้ง่ายดีนะเพราะนั่งมันกว่าจะหลับมันนานใช่ไห ถ้านอนมันอาจจะสะดวกกว่า น, นั้นก็ได้นี่มันกึ่งไม่จำเป็นไงนะเราก็เลยต้องรู้จักการปฏิบัติก่อนว่ามันคือยังไงพวกเราโดยมากนี้เวลาพูดถึงการทาบุญให้ทานรักษาศีลหรือปฏิบัติธรรมอะไรต่อมิอะไรต่างๆเราก็มักจะลงมือทำเลยนะอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดที่ใหญ่เหมือนกันสาหรับพวกเราและทำกันมาจนเคยชินแล้ว ในเมื่อมันเคยชินมันก็แก้ยากแต่ต้องแก้ถ้าไม่แก้มันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปคือทําบุญเหมือนกันแต่บุญไม่ขึ้นก็เห็นอยู่ว่าบุญของเราที่ทํามานั้นมันทําไม่ขึ้นมันจึงบุญน้อยมากมันทําไม่ถูกทําไม่เป็นหรือบางทีอาจจะหนักกว่านั้นคือเราไม่รู้จักบุญด้วยซ้าไปคือไม่มีสัมมาทิฏฐิเรื่องบุญว่ามันคืออะไรแน่เช่นเวลาเราทําบุญเราก็ไปทําที่วัดไปทําที่วัดเรานึกว่า บุญมันอยู่ที่วัดพอออกมาเราก็ไม่มีบุญเลยเอาออกมาด้วยไม่ได้ทั้งๆที่จริงๆเราทําที่วัดมันก็เป็นบุญที่อื่นมันก็เป็นบุญถ้ามันเป็นนะนะเพราะบุญมันเป็นสัจธรรมมันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งถ้ามันเป็นบุญมันก็เป็นจะไม่ให้มันเป็นมันก็ไม่ได้แต่เราไม่รู้จักบุญไม่มีสัมมาทิฏฐิเรื่องบุญไม่รู้หน้าตามันเป็นอย่างไรไม่รู้ธรรมชาติของมันไม่รู้เหตุเกิดของมันไม่รู้วิธีรักษามัน ไม่รู้วิธีใช้การมันว่าบุญเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรได้บุญมาแล้วจะรักษาเนี่ยจะรักษาอย่างไรเอาบุญไปใช้ต่ อ, อยังไงมันไม่รู้จักพอไม่รู้จักเราก็แค่จะเอาออกมาจากวัดยังไม่ได้เลยอย่างเช่นสมมุติว่าเราเข้าไปวัดเนี่ยไปไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นบุญเหมือนกันบางคนก็บุญหนักทีเดียวบุญใหญ่พร้อมจะเสียสละทุกอย่างนะเช่นเห็นหน้าพระพุทธรูปก็ศรัทธามาก เลื่อมใสามากโอ้อยากบวชตามท่านดิฉันนี่จะสละทุกอย่างแล้วเจ้าข้านะสามีก็จะสละทรัพย์สินก็จะสละตามพระพุทธเจ้านี่แหละรู้สึกเลื่อมใสนะคนเราเวลามันเลื่อมใสมันก็ดูดีไปหมดเหมือนจะขึ้นฟ้าอย่างนั้นนะก็อย่างนี้นะไปเข้าไปในโบสถ์ก็เห็นหน้าพระพุทธรูปที่ท่านดูเอิบอิ่มนะก็เลื่อมใส แหมอยากบวชตามอยากปล่อยอยากวางสละสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้เหมือนพระพุทธเจ้าเราก็ดูเหมือนจะสละได้จริงๆซะด้วยแหมทําใจเบิกบานดีนะพอออกมานอกโบสถ์นะรองเท้าหายเป็นไงโอ้โหเมื่อกี้ว่าจะสละทุกสิ่งทุกอย่างแท้แค่รองเท้าหายเท่านั้นแหละแช่งไปทั่ววัดเลยเอาดิลองกับเขาสินี่ลองยิด่ดูบุญน้อยขนาดนั้นนะคนนะ บุเมื่อกี้เนี่ยบุญใหญ่แล้วว่าสละได้ทุกอย่างมันคือบุญและมันเป็นเครื่องชําระจิตนะชำระจิตให้เราไม่ติดข้องทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แค่รองเท้าหาเองจริงจรงน่าจะดีใจเพราะว่าเราจะได้รองเท้าคู่ใหม่ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ได้ซื้อเองด้วยให้สามีมันซื้อให้แต่เราเนี่ยโอ้โหสั่นขึ้นมาแล้วมันทิ้งไม่ได้สักอย่างแล้วเนี่ยบาปมันก็เอาไปกินแล้วเนี่ยนี่เรียกว่าบุญมันสั้นบุญมันน้อยเพราะเราไม่รู้จักว่าบุญจริงๆริงเป็นยังไงและจะรักษามันได้ยังไง นะอย่างนี้ทำนองนี้เหมือนเราไปอยู่ที่วัดเนี่ยเราไปเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์ก็ดีอะไรก็ดีเราก็มีบุญเกิดขึ้นบุญเกิดขึ้นมันก็ช่วยชำระจิตให้ไม่โกรธหรือว่าไม่เครียดมากนะใครจะเดินเหยียบเท้าบ้างหรือว่าใครจะเสียงดังบ้างอะไรบ้างโวยวายบ้างเราก็ไม่มีปัญหานะเขาจะประกาศโน่นนี่นั่นถึงเสียงจะดังเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตอนนั้น มีบุญเยอะอยู่ในใจบุญมันก็ช่วยชำระเรื่องไม่ดีต่างๆออกไปได้ใจเราก็สะอาดนะแต่ทีนี้เราไม่รู้จักว่าตัวนี้แหละมันเป็นบุญและจะรักษามันได้ยังไงจะเอาไปใช้ได้ยังไงเราก็พอบุญเกิดขึ้นบุญมันก็เป็นสังขารคือมันเกิดดับมันเป็นของไม่เที่ยงบุญของเราก็เลยสั้นมากอยู่กับสถานที่เราปล่อยให้บุญนั้นมันอยู่กับสารสถานที่เราไม่ได้พัฒนาบุญ ให้ว่าอา้าวถ้าไม่มาวัดบุญมันจะเกิดได้ยังไงถ้าไม่มีการให้ทานเนี่ยบุญมันจะเกิดได้ยังไงเราไม่ได้รับการพัฒนาเรารอแต่ว่าต้องไปวัดบุญมันถึงจะเกิดคือเราไม่เก่งพอต้องรอเหมือนกับว่าเรารอให้คนพูดดีๆเราถึงจะดีด้วยไม่ได้ฝึกตัวเองให้ว่าคนพูดไม่ดีเราก็ดีก็ได้เราไม่ได้ฝึกทางตัวเองไงเราอาศัยวัดอาศัยเหตุการณ์เป็นตัวสร้างบุญขึ้นมาแล้วเราไม่รู้จักบุญ พอไม่รู้จักเราก็ไม่อาจพัฒนามันต่อไปได้นะอยู่วัดเดินรอบโบสถ์เวียนเทียนต่างๆนี่จะใครจะเหยียบเท้าบ้างอะไรบ้างเราก็สบายเพราะตอนนั้นมันมีนมบุญเยอะใช่ไหบุญมันเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสบายใจเบาใจนะแต่บุญมันของไม่เที่ยงนี่บางท่านก็บุญสั้นเหลือเกินพวกคุณบุญสั้นเนี่ยไม่ใช่คุณบุญหนาบุญหนักอะไรนะแต่เป็นคนบุญน้อยคุณบุญสั้นนะ สั้นแค่ไหนเราก็สั้นอยู่แค่วัดนั่นแหละพอออกนอกประตูวัดเท่านั้นแหละบุญหายหมดแล้วไม่ได้เอามาด้วยไอยสบายใจก็ดีอะไรก็ดีไม่ได้เอามาด้วยแล้วนะไม่ได้เอาบุญมาด้วยตอนอยู่ในวัดในโบสถ์ต่างๆเนี่ยใครจะรบกวนอะไรยังไงตัดหน้าตัดหลังนี่เวลาเราเดินเวียนเทียนนี่เราก็ไม่สนใจใช่ไหมใครจะเดินตัดหน้าตัดหลังอะไรก็ตามสะดวกไม่มีปัญหานะพอออกนอกประตูวัดเท่านั้นบุญของเราก็หล่นหมดแล้วหายไปหมดแล้ว นะเมื่อบุญหายไปแล้วถ้าเราขับรถไปมีคนขับรถปาดหน้าไปนีะครับเป็นไงอ่าเป็นไงบุญเหลือไหมไม่เหลือแล้วเหลือแต่แช่งมันให้มันตายไปประสบอุบัติเหตุให้มันตายไปซะโ น, น่นนั่น ท, ทั้งทั้งที่อยู่ในวัดเนี่ยนะใครเดินตัดหน้าเรากระทั้งเหยียบเท้าวนี่ยังไม่เป็นไรนะจริงๆถ้าเราเอามาด้วยนี่แค่ขับรถปาดหน้านี่มันเด็กๆใช่ไหมสบายเลยเรามีบุญแล้ว แต่เราโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เอามาด้วยนี่คือความไม่เข้าใจเรื่องบุญนั่นแหละน่อย่างนี้ฉะนั้นนี้พูดอย่างนี้ก็เพื่อจะให้ทุกท่านเห็นว่าการปฏิบัติที่แท้จริงแม้กระทั่งเรื่องบุญเล็กๆ น, น้อยๆเรื่องการให้ทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีนี้จะต้องมีสัมมาทิฏฐิประกอบเข้าไปในเรื่องนั้นจึงจะได้ผลถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิประกอบเข้าไปมันจะไม่ได้ผลคือถ้าไม่มีมรรคประกอบเข้าไปแล้ว ไม่ว่าจะปฏิบัติอะไรมันก็ไม่ได้ผลจริงนะมันก็ได้ผลอยู่แต่มันไม่ได้จริงจังเพราะว่าความรู้หรือความสามารถเนี่ยมันไม่ไม่มากพอก็ต้องมีมักโดยเฉพาะการมาภาวนาเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิซึ่งยุคนี้ก็ฮิตกันมากทีเดียวซึ่งดีนะแต่ก่อนมีแต่เรื่องทานเรื่องศีลกันอะไรกันยุคนี้มีเรื่องภาวนามาด้วยก็ยิ่งดียิ่งดีแต่ก็อันเดิมอีกแหละ ก็คือถ้าไม่มีมรรคแ ป, ประกอบเข้าไปมันก็ไม่ได้ผลนีเหมือนกันก็มานั่งรับงอกแงกงอกแงกแล้วก็ได้บุญเยอะแล้วก็ออุทิศส่วนกุศลให้คนโน้นคนนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับที่ให้ทานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลรักษาศีลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลคล้ายกันแต่ว่ามันไม่พัฒนามันไม่เจริญดูอย่างไรว่ามันไม่เจริญก็ดูใจของเราถ้าเป็นบุญจริงเนี่บุญบุญมันเป็นชื่อของความสุขมันปลอดโปร่งสบายใจเราทําบุญมาเยอะมันสบายใจไหม ปลอดโปร่งไหมแน่ยดูแค่นี้ก็รู้แล้วยังทุกข์เยอะไหมยังกระทบเรื่องต่างๆแล้วจิตใจสะอาดไหมเข้าใจไหมโลกใบนี้หรือว่าโลกยังทำอะไรกับเราได้อยู่นี่อย่างนี้ทำนองนี้นะฮฉะนั้นถ้าเป็นบุญจริงแล้วมันก็จะสามารถที่จะชาระจิตให้เราได้แล้วก็จะทำให้เรื่องต่างๆข้างนอกนะ่ไม่อาจที่จะทำให้ใจเราเศร้าหมองได้นี่แหละคือตัวบุญ นะถ้าเป็นตัวกุศลตัวปัญญาโดยเฉพาะธรรมะฝ่ายโพธิเนี่ก็จะทาให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆในโลกใบนี้ทั้งหมดทั้งเราทั้งคนอื่นไม่มีวันที่จะทำให้เราสงสัยเรื่องใดๆได้ถ้าเป็นบุญเนี่ยไม่ว่าเรื่องใดๆก็ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองไม่ได้โกรธไม่ได้นะเศร้าหมองไม่ได้เครียดไม่ได้นี่ถ้ามันเป็นบุญจริงนะนะถ้าเป็นกุศลจริงเป็นข้อปฏิบัติฝ่ายโพธิจริง ก็ไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่จะทำให้เราสงสัยได้เพราะมันเป็นปัญญามันเป็นความเข้าใจมันเป็นความรู้ถ้าเรายังสงสัยได้ก็แสดงว่ามันเป็นความไม่รู้นั่นเองเหมือนเรานั่งสมาธิไปก็เดี๋ยวก็สงสัยเรื่องนั้นเดี๋ยวก็สงสัยเรื่องนี้อันนี้ก็คือมันไม่รู้มันไม่ใช่ความรู้นั่นเองไหนพอเข้าใจไหมอย่างนี้เดินจงกรมบางท่านก็ไม่รู้ตั้งแต่จะเดินท่าไหนแล้วลองคิดดูนะมันขนาดนั้นนะนี่คือไม่ได้ประกอบสัมมาทิฏฐิเข้าไป พอไม่ได้ประกอบเข้าไปมันก็มีปัญหาทำอะไรก็เต็มไปด้วยความไม่รู้นี่มันเป็นอย่างนี้นะทุกท่านก็เลยต้องเข้าใจธรรมะให้ดีๆจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องวันนี้จะมาพูดถึงการปฏิบัติระดับสูงเลยทีเดียวนะและก็สามารถใช้การปฏิบัติระดับนี้ประกอบได้ทุกเรื่องเลยถ้ามีมรรคแล้วมันประกอบได้ทุกเรื่องเรื่องทานเนี่ยก็เอามรรคไปประกอบได้เอาสัมมาทิฏฐิไป ใส่ในเรื่องทานว่าทานมันคืออะไรทานนี้หน้าตามันเป็นยังไงมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของมันอยู่ในใจใจของเราที่สละสิ่งนั้นออกไปได้โดยไม่ติดไม่ค้องกับสิ่งนั้นอีกต่อไปเราเห็นได้ว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราผมให้นังสืออ้าพี่เอาไปนังสืออันนี้ก็เป็นของพี่คนนี้ไปแล้วมันไม่มีความติดอกติดใจไม่มีการขาดใจอันนี้คือทานนั่นเอง แต่พวกเราเนี่ยโอยไปถวายทานนะทำอาหารทั้งคืนตื่นตั้งแต่ตีสี่เอาไปถวายหลวงพ่อแล้วก็ถวายหลวงพ่ออย่าลืมชันให้ดีชันนะคะนั่งจ้องอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นทานเต็มที่เนหะ็นไหมดูสิเนี่ความไม่รู้ของคนนะมันขนาดนั้นนะนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันแค่หวงของเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะก็ดีกว่าไม่ทำแต่ว่า มันไม่รู้จากทานอย่างแท้จริงว่ามันคืออะไรการให้อย่างแท้จริงมันคืออะไรให้มันก็คือให้อหละมันก็เป็นของชาว บ, บ้านไปแล้วก็จะทําอะไรก็เรื่องของเขาสิเขาจะเอาไปอะไรก็เรื่องของเขาเราทําให้ดีที่สุดให้ของที่ดีที่สุดมันก็ดีแล้วเขาจะเอาไปเช็ดเท้าหรือเอาไปโยนทิ้งก็เรื่องของเขาสิมันเป็นของเขาไปแล้วมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมนี่ก็คื อ, คอแม้แต่เรื่องทานเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็ทําไม่เป็นนะพอทําให้เป็นมันก็จิตใจเราก็ไม่สะอาด เราก็ติดข้องกับอนนุนอันนี้ยิ่งทําไปก็ยิ่งติดยิ่งข้องดิ่งติดกับผลบ้างอะไรบ้างเหมือนที่เราให้ทานกันเขาก็จะมาหลอกเราว่าให้อันนี้ได้อ น, นุนอันนี้ได้สวรรค์ได้อะไรแล้วเราก็ไปให้กันเยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่ได้รับผลของการให้การให้ที่แท้จริงนี่มันช่วยให้เราไม่ติดข้องกับสิ่งต่างๆการไม่ติดข้องนี้มันดีเพราะว่าท้ายที่สุดเราจะต้องทิ้งทุกอย่างไปอยู่แล้ว ถ้าเราไม่ติดข้องเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ใช่ทานอย่างแท้จริงเราก็จะติดข้องเพราะติดข้องแน่นอนเราต้องทุกข์แน่นอนเลยเพราะว่าเรื่องต่างๆสักหน่อยมันก็ต้องเป็นนั่นเป็นนี่ไปเรียกว่าเราไม่มีบุญพอแล้วไม่มีบุญพอที่จะช่วยรักษาจิตของเราแล้วใจของเราก็จะเศร้าหมองเวลาได้รับเรื่องต่างๆเข้ามานี่แคเรื่องบุญนะนี่เรื่องง่ายๆเองเนะก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปประกอบเรื่องศีลก็คล้ายกัน ต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้าไปประกอบว่าศีลมันคืออะไรอย่างไรถ้าเราไม่รู้จักเราก็จะรักษาศีลหรือรับศีลมาเป็นแค่พิธีกรรมต่างๆนะไม่รู้จักศีลอย่างแท้จริงว่าเขาทําไปทําไมทําเพื่ออะไรอย่างไรศีล ท, ที่แท้จริงนี้มันทําให้เรานี้เป็นเขตปลอดภัยสําหรับคนอื่นเขานะทาให้ไม่เบียดเบียนกันพอไม่เบียดเบียนคนอื่น เขาเดนก็ไม่เบียดเบียนเราไปด้วยมันก็ให้ความสบายใจก็กฎเกณฑ์ของสัจธรรมก็คือเราให้สิ่งใดไปเราก็ได้สิ่งนั้นกลับคืนมาเราให้ความปลอดภัยแก่ผู้อื่นเราก็ได้ความปลอดภัยกลับคืนมาเราให้ความสบายใจแก่ผู้อื่นเราก็ได้ความสบายใจกลับคืนมานี่ก็เป็นลักษณะของศีลแต่วันๆโดยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยสบายใจก็เป็นเพราะว่าศีลเรา ไม่ใช่ของจริงนั่นเองทั้งๆ้ที่เราก็รับมานะแล้วเราก็ปฏิบัติศีลด้วยนะแล้วเราก็เคร่งพัดด้วยนะแต่ทําไมจึงไม่ปลอดภยัยจึงรู้สึกไม่ปลอดภยัยจึงรู้สึกกลัวนั่นกลัวนี่คนมีศีลจริงเขาไม่กลัวนะเพราะว่าเขาให้ความปลอดภยัยฉะนั้นเขาย่อมได้ความปลอดภัยกลับมาส่วนพวกเราเนี่โอ้ยเห็นแท็กซี่หน้านวนวลสักหน่อยเนี่สันแล้วกลัวจะไม่ปลอดภยัยกลัวเขาจะจับไปทํานั่นทํา น, านี่อันนี้คือจิตมันอกุศล จิตมันกลัวมันหวาดหวั่นมันเป็นกิเลสนั่นเองพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่กําลังจะชี้ให้ดูว่าที่เราทํามาเนี่ยมันได้ผลหรืออย่างนั่นเองที่ทํามามันไม่ผิดหรอกมันก็ถูกแต่มันถูกน้อยเกินไปพอมันถูกน้อยเกินไปนี้ไอ้ที่ผิดเราก็ทําไว้ตั้งเยอะมันถูกน้อยนี้มันจะชําระอันที่ผิดได้ไหมไม่ได้นะการจะชําระอันที่ผิดได้นี้ต้องถูกแบบเต็มร้อยเลยถูกอย่างแท้จริงเลย ทานก็ต้องถูกให้เต็มร้อยมันจึงจะชำระชำระสิ่งต่างๆได้ชำระกิเลสได้แล้วก็พอชำระกิเลสได้ผลที่ถูกต้องก็เกิดขึ้นสีนี่ถ้าทำอย่างถูกต้องมันก็จะชำระชำระความไม่ปลอดภัยสำหรับพวกเราชำระนะชำระความอึดอัดรำคาญต่อมิอะไรต่างๆนี่ความอึดอัดความรำคาญความรู้สึกไม่ปลอดภยัย ห่วงใยโน่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้เนื่องจากว่าศีลมันยังไม่สมบูรณ์นั่นเองถ้าศีลมันสมบูรณ์ศีลมันถูกต้องมันก็จะรู้สึกปลอดภยัยแม้กระทั่งตายมันก็ไม่กลัวนะเพราะศีลนี่มันเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าเราทําถูกต้องต่อไปยิ่งภาวนาก็ยิ่งดีใหญ่เลยถ้าทําถูกต้องอย่างนี้ทีนี้การจะทําสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องนี้ต้องใช้มักเข้าไปในการชําระสิ่งต่างๆเหล่านี้ เรียกว่าทำให้มันเป็นมรคนั่นเองทำให้ถูกต้องการปฏิบัติที่แท้จริงก็เลยไม่ใช่เรื่องการนั่งสมาธิเรื่องการเดินจงกรมเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก็คือการประกอบมรเข้าไปประกอบอริยมรมีองค์ดเข้าไปในใจของเราให้มีสัมมาทิฏฐิในเรื่องนั้นให้มีสัมมาสังกัปปะในเรื่องนั้นให้มีศีลมีสมาธินะมีมรแปเข้าไปนั่นแหละในเรื่องต่าง อย่างนีน้นี่พูดให้ฟังท่านจะได้พอเข้าใจตัวการปฏิบัติที่แท้จริงนะฉะนั้นการจะเข้าใจเรื่องนี้ต้องฟังให้ดีๆฟังแล้วก็จะได้ไปปฏิบัติให้ถูกตอนฟังมันอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยหนึ่งเพราะพวกเรานี้บางทีฟังกว่าจะเข้าใจมันก็โอ้ยนานไปก็อะไรอะไ ร, อะไรบอกมาเลยอยากให้ทําอะไรเราจะคิดอย่างนั้นนะมันง่ายดีนะแบบเหมือนของสําเร็จรูปนะ คือการปฏิบัติธรรมมันไม่เหมือนของสำเร็จรูปคนอื่นเขาเดินจงกรมเขาได้ผลแต่เราเดินมันไม่ได้ผลอย่างเขาเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ได้ผลที่การเดินจงกรมคนอื่นเขาดูลมหายใจบรรลุมาเยอะแล้วอะดูยังไงบอกเลยเราก็ไปดูกับเขาเป็นีงครับหลับหรือไม่ก็เครียดหรือไม่ก็ไม่ได้เรื่องเพราะว่ามันไม่ใช่ได้ผลมาที่ดูลมหายใจมันดู ได้ผลตรงที่เขาใส่สัมมาทิฏฐิเข้าไปในเรื่องนั้นอย่างไรใส่สัมมาสังกัปปะเข้าไปในเรื่องนั้นอย่างไรใส่ศีลเข้าไปในเรื่องนั้นอย่างไรบ้างเตียวว่าทาด้วยความรู้ถ้าทาด้วยความรู้นี่ก็จะรู้ขึ้นไปเรื่อยๆจากรู้น้อยๆกลายเป็นรู้ที่สมบูรณ์ต่อไปเหมือนเรารู้เรื่องทานดีว่าทำไปทำไมทำเพื่ออะไรหน้าตาของทานคืออย่างไรเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างถ้าเรารู้เรื่องเล็ก นะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้มันก็จะขยายไปเรื่องอื่นๆต่อไปนะอย่างนี้แต่ถ้าเราทำด้วยความไม่รู้ต่อให้เป็นเรื่องที่ดีขนาดไหนมันก็ไม่รู้อย่างเดิมนี่อย่างนี้ทุกท่านก็เลยต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับวันนี้จะมาพูดให้ฟังถึงหลักธรรมหมวดสุดท้ายซึ่งสามารถนำไปประกอบกับทุกเรื่องได้หมดเลยเพราะเป็นหลักธรรมชุดสุดท้ายแลลวครอบทุกเรื่องไว้นะถ้าทาอย่างถูกต้องก็จะมี มักแปครอบอยู่ทุกเรื่องทั้งเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาศีลสมาธิปัญญาก็จะมีมักแปอยู่ในนี้ทั้งหมดนะ อ, อย่างนี้ทำตรงนี้คือมักแปมันเป็นทุกเรื่องในชีวิตของเราที่สมดุลกันเป็นการปฏิบัติที่แท้จริงถ้าพูดเป็นภาษาแบบให้ยากๆสักนิดหนึ่งคิดตามได้ยากสักนิดหนึ่งแต่ค่อยๆ ค, คิดก็จะเข้าใจคือทานศีลภาวนาเนี่ย หรือศีลสมาธิปัญญานี้มันไม่ได้จัดเป็นมรรคแปแต่มรรคแปนี้มันจัดเป็นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยฟังดูเข้าใจไหมเนี่ยเหมือนจะเข้าใจนะเหมือนแต่ว่ายากมากทีเดียวคือทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญานี้มันไม่ได้จัดเป็นมรรคแปคือเราทําทานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นมรรคแปเสมอไปไม่ใช่ว่าจะละกิเลสได้เสมอไปรักษาศีลเนี่ย ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นมรรคแดเสมอไปมันก็เป็นศีลธรรมดานี่แหละภาวนาทำสมาธิต่างๆไม่ใช่ว่าจะเป็นมรรคแปดเสมอไปไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปไม่ใช่ว่าจะละกิเลสได้เสมอไปหมายถึงว่าศีลสมาธิปัญญามีอยู่ทั่วไปแล้วแหละไม่ใช่จะดีทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่จะชั่วทั้งหมดมันเป็นอย่างนั้นแหละหรือมันเป็นของดีก็ได้แต่มันไม่ดีจริงไม่ดีพอที่จะละกิเลสดีเนี่มันละกิเลสไม่ได้ก็เยอะแยะคนดีก็มีเยอะแยะ แต่ไม่เห็นลากิเลสอะไรได้เวลาโกรธก็โกรธเป็นเหมือนเราแหละคนดีอย่างนี้มันก็ดีอยู่ก็ใช่อยู่ก็ไม่ว่าอะไรแต่มันไม่ดีพอดีไม่จริงถ้าดีจริงมันต้องลากิเลสนี่ศีล ส, สมาธิปัญญาจึงไม่ได้จัดเป็นอริยมรรคมีองค์แทานศีลภาวนานี้ไม่จัดเป็นอริยมรรคมีองค์8แต่อริยมรรคมีองค์แเนี่ยจะต้องอยู่ในศีลสมาธิปัญญานี่แหละมันเลือกมามันเป็นบางส่วน เป็นปลีกย่อยในนี้มรรคแปนี้ต้องเป็นทานศีลภาวนานี่แหละโดยเฉพาะในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทานศีลภาวนาศีล ส, สมาธิ ป, ปัญญา ก, ก็คือมรรคแนั่นเองอันเดียวกันนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะไปอ่าทานธรมนธรมดาศีลธรรมดาภาวนาธรรมดามันไม่ใช่มรรคแเนี่ยอย่างนี้ทํำนอกนี้นะเนี่ยฟังดูเหมือนจะเรื่องเดียวกันแต่คนละเรื่องกัน ฟังดูเหมือนจะงงแต่เขาเข้าใจฟังดูเหมือนจะเข้าใจแต่ก็งงเหมือนกันทุกท่านก็ลองฟังดูดีๆนะก็หัดย้อนกลับดู <c oughs> ก็คือศีลสมาธิปัญญานี้ไม่ได้จัดเป็นมรรคแปดไม่ได้จัดเข้าในมรรคแปดนะศีล ส, สมาธิปัญญานี้ไม่ได้จัดเข้าในมรรคแปดแต่มรรคแปดนี้จัดเข้าในศีลสมาธิปัญญานี่นเข้าใจไหมน่อย่างนี้ทานองนี้นะมันซับซ้อนนิดหน่อย ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องอริยมรรคมีมองแปดเราก็ไปให้ทานมันเดิมแต่ให้ทานแบบรู้วิธีรู้หลักการที่ถูกต้องเราก็ไปรักษาศีลมันเดิมแต่ศีลของเรานี้เป็นมรรคแดนะตอนนี้ไม่ใช่ศีลธรรมดาแล้วภาวนาเหมือนเดิมหมายถึงว่าอะไรที่เราทําเราก็ทํำมาเดิมแต่ประกอบมรรคเข้าไปในนั้นประกอบในวิถีชีวิตของเราก็เหมือนกันทํามาหากินอะไรต่างๆเนี่ยเราทํามาหากินมีอาชีพสุจริตนี้ไม่ใช่สัมมาชีวะนะแต่ว่าสัมมาชีวะเนี่ย ก็คืออาชีพสุจริตมันงงไหมดิฉันในอาชีพสุจริตนะเป็นครูสอนหนังสือนะสอนเด็กเล็กนะสอนไปก็ได้เงินเดือนมาก็ส่วนครึ่งหนึ่งก็เอาไปเลี้ยงเด็กนะดิฉันมีสัมมาอาชีวะไหมไม่ไม่ได้มีทั้งทั้งที่ก็เป็นอาชีพที่ดีอาชีพที่ดีไม่ได้เป็นสัมมาอาชีวะแต่สัมมาอาชีวะนี่เป็นอาชีพที่ดีงงไหมไม่งงนะเนี่ยอย่างนี้ เพราะไม่ได้พูดให้งงพูดให้รู้เรื่องฉะนั้นจะต้องรู้เรื่องเพราะว่าไม่ได้พูดให้งงนะพูดให้รู้เรื่องอยู่ตอนนี้นะเนี่ยทุกท่านก็ต้องพยายามฟังให้เข้าใจตรงนี้ให้ดีๆท่านจะได้ไปให้ทานเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ให้มันเป็นบุญกุศลที่แท้จริงให้มันเป็นมรรคให้มันเป็นทางละกิเลสเขาให้ทานจนเป็นพระอริยะกันมาเยอะแยะส่วนพวกเราให้ทานไปแล้วก็ง่อยเป็นแถวอยู่เนี่ยมันทาไมมันจึงต่างกันขนาดนั้นนะ เขาทําบุญขั้นพื้นฐานเนี่ยเพื่อเป็นฐานของบุญชั้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแต่พวกเราให้ทานไปเท่าไรก็เหมือนเดิมนะพอพูดถึงภาวนาก็งอยเงาทําไมมันไม่ไม่สูงขึ้นไปล่ะเอา้ามันน่างงเหมือนกันแสดงว่ามันผิดนะอย่างนี้ทํานองนี้นะครับนี่วันนี้แหละจะมาพูดให้ฟังท่านก็ลองฟังให้ดีๆแล้วก็เอาไปประกอบเข้ากับทุกเรื่องที่เราทําในชีวิตของเรา คือในชีวิตของเราเนี่ยให้ประกอบสัมมาทิฏฐิเข้าไปแม้แต่การทำงานเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิในงานเนี่ยว่าเราทำไปทำไมทำเพื่ออะไรอย่างไรนะจะขัดกิเลส ต, ตัวไหนหรือมีประโยชน์อะไรอย่างไรต่อธรรมะอันอื่นแต่ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิประกอบเข้าไปอย่างนี้เราสักแต่ว่าทำมันก็ไม่เป็นการปฏิบัติธรรมไม่เป็นมรคนะ ถ้าเข้าใจเรื่องมรรคเรื่องการปฏิบัติที่แท้จริงแล้วเราอยู่ที่บ้านทําหน้าที่สามีทําหน้าที่ภรรยาทําหน้าที่ลูกไปที่ทำงานทําหน้าที่ลูกน้องทําหน้าที่เจ้านายให้ถูกต้องเท่านี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเลยและละกิเลสได้จริงด้วยนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องอริยมรรคมีองค์8ไม่เข้าใจไม่มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นประกอบเข้าไปแล้วต่อให้มานั่งสมาธิ ก็ไม่มีผลต่อการละกิเลสต่อให้มาเดินจงกรมก็ไม่มีผลเอากันสูงๆขนาดว่าต่อให้มาบวช7วัน8วันก็ไม่มีผลอะไรเลยได้แต่มิจฉาทิฏฐิไปนะนี่โดยเราคิดว่าอา้าวได้บวช7วันนี้ก็ดีแล้วนี่ก็เป็นความเห็นผิดทําไมมันผิดเพราะมันไม่ถูกอะไรที่ดีแล้วคือมันเปลี่ยนนิสยัยจากเดิมเคยทําชั่วต่อไปเลิกทําชั่วเนี่ยคือมันดีมันอยู่ตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับการบวช ดีมันอยู่ตรงนี้แต่เราได้บวชก็ดีแล้วนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิมันผิดเพราะมันไม่ถูกนั่นเองที่ถูกก็คือเราทำงานอย่างเดิมก็ได้แต่ให้ละกิเลสลงไปเช่นแต่เดิมเราขี้โกรธต่อมาเลิกซะเพราะความโกรธมันมีโทษมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเราก็เลิกซะเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าความโกรธไม่ดีใจร้อนต่างๆมันไม่ดีนะความอดทนไม่ได้มันไม่ดีเนี่ย ความใจร้อนเอาแต่ใจนี่มันไม่ดีทั้งนั้นแหละไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเอาแต่ใจมันไม่ดีเราก็เลิกเอาแต่ใจสัใจร้อนนี่มันไม่ดีมันไม่ได้ช่วยให้ไปนิพพานอะไรไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกอะไรเราก็เลิกใจร้อนสะเป็นคนใจเย็นหัดรอหัดฝึกไปอยู่ที่บ้านแค่นี้ก็ปฏิบัติทำแล้วนะเนี่ยเี่พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้และแน่นอนถ้าทําได้อย่างนี้เลิกเป็นคนใจร้อนอดทนได้รอได้เราก็จะไม่ทุกข์แล้วเนี่ย คือปฏิบัติธรรมมันก็จะช่วยให้พ้นทุกไปนั่นเองแหมอย่างนี้นะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เ, เนี่ยคือปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะต้องหาเวลามานั่งสมาธิหาเวลามาเดินจงกรมอะไรเลยเรื่องเล็กๆนั่นแหละเรื่องเล็กๆนะกินข้าวเนะี่ยมีสัมมาทิฏฐิประกอบเข้าไปในการกินข้าวพวกเรานี่แหมถึงเวลากินข้าวเป็นเวลาแห่งความลุ่มหลงนะ โอ้โหใครจะดีจะเด่นอะไรไม่รู้ถึงเวลากินข้าวนี่นะบางท่านถึงเวลาปฏิบัติธรรมก็เอาจริงเอาจังมากนั่งสมาธิแทบลมแทบตายนั่งแล้วก็โอ้โหมีแต่ส้มตำลอยมามีแต่กน้องไก่เพียบเลยอยู่ในหัวสมองถึงเวลากินก็กินเต็มที่เหมือนกันอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะแท้ที่จริงแล้วถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีมรรคเนี่ยเราก็ประกอบเข้าไปในการทานข้าวนั่นแหละ ไม่ต้องหนีไปทําสมาธิที่ไหนไม่ต้องรีบกินให้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแล้วก็พิจารณาก่อนพิจารณาอาหารเนี่ยว่านี่เราไม่ได้กินเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาประดับตกแต่งเรากินเนี่ยเพื่อให้มันหายหิวเท่านั้นเองนะให้มันหายหิวให้มันระงับเวทนาเก่าเวลากินก็อย่ากินมากเพราะว่ามันจะเกิดเวทนาใหม่ก็คือมันจะแน่นท้องพอแน่นท้องมันก็ อยู่ลำบากเดินก็ไม่สบายอะไรก็ไม่สบายขี้เกียจ ด, ด้วยอะไรด้วยเนี่ยอย่างนี้พิจารณาแค่นี้แหละการทานข้าวก็เป็นการปฏิบัติธรรมเพราะเรารู้จักความพอดีเห็นไหไอ้ความพอดีนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมต่อไปเราก็จะเอาความพอดีนี้ไปใช้กับคำพูดพูดแค่ไหนพอดีพอดีกับลูกพอดีกับสามีพอดีกับพ่อกับแม่เนี่ยก็เอาความพอดีนี้ไปใช้ นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจอะไรมันก็จะโอ้ยวุ่นวายเนะนี่นี่อย่างนี้นะหลายท่านก็หาเวลาปฏิบัติธรรมยากก็เพราะว่ามันมีความเห็นผิดอยู่นั่นเองมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ความจริงแล้วถ้าเข้าใจแล้วปฏิบัติก็ได้ทุกที่จากเรื่องเล็กๆของเรานั่นแหละนะอันนี้พูดโยงไปโยงมาให้ท่านพอ ผ่อนคลายก่อนเพราะว่าต่อไปจะพูดเรื่องยากนะอันนี้พูดง่ายๆก่อนอย่างนี้นะทีนี้ในเรื่องอริยมรคมีองค์แที่ผมจะพูดก็ตั้งเป็นประเด็นพูดสักหน่อยหนึ่งจะได้มีเรื่องมีราวในการพูดเพราะพูดนานนะตอนเช้าด้วยตอนกลางวันด้วยก็จะพูดสัก4ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็พูดถึงความหมายความหมายของอริยมรคว่ามีความหมายอย่างไรมีกี่ความหมายที่เราควรทราบไว้เป็นพิเศษนะะ ประเด็นที่2ก็พูดความสําคัญของอริยมรรคมีองค์8ประเด็นที่3ก็แจกแจงองค์มรรคให้ฟังว่ามีกี่ข้ออะไรบ้างทุกท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วแต่ น, นี้พูดแบบให้ความหมายเล็กๆน้อยๆพอที่จะเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนจะได้ไปอ่านต่อได้สะดวกประเด็นที่4ก็คือวิธีการสร้างมรรคแขึ้นมาวิธีการปฏิบัติหรือฝึกให้มีมรรคแขึ้นมานั่นเองเนี่ยก็ จะพูด4ประเด็นนี้ต่อไปเริ่มต้นประเด็นที่1ก็คือความหมายความหมายของอริยมรคมีองค์8นะอริยะกับมรคอริยระแปลว่าห่างไกลาจากกิเลสห่างไกลาจากโทษห่างไกลาจากพิษภัยต่างๆอันตรายต่างๆอันตรายทั้งหลายก็คือกิเลสโดยเฉพาะมิจฉาทิฏฐินี้เป็นอันตรายที่ใหญ่ที่สุดที่เราไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมก็เป็นเพราะมิจฉาทิฏฐิ ที่เราทําอะไรไม่ได้ประโยชน์เช่นให้ทานแล้วก็ลักิเลสไม่ได้ก็เพราะมิจฉาทิฏฐิรักษาศีลก็ยังลักิเลสไม่ได้ก็เพราะมิจฉาทิฏฐิสวดมนต์ต้งเยอะต้งแย่หลายท่างก็สวดมามากแล้วแต่ไม่มีปัญญาก็เพราะมิจฉาทิฏฐิถ้าไม่มีตัวนี้เราได้ของดีไปเยอะแล้วนะเพราะเราทําดีมากกวเยอะนะแต่ว่ามันไม่ได้เราทําดีเราควรจะได้ถูกไหมแต่ทําไมเราจึงไม่ได้เพราะมันมีตัวขัดขวางอยู่ ก็คือตัวความเห็นผิดในความดีนั่นแหละความดีมันเป็นความดีแต่เราเห็นผิดอยู่เห็นผิดเห็นผิดนะเหมือนเมื่อกี้เรื่องทานผมก็ยกตัวอย่างมาเห็นไหมทานที่ถูกมันเป็นยังไงพอตัวความเห็นผิด ท, ทั้งทั้งที่ทานเราก็ให้อยู่ก็เป็นทานนั่นเองแต่ว่าพอความเห็นผิดมันมาเราก็ไม่ได้รับผลจากทานศีลก็คล้ายกันน่อย่างนี้จนกระทั่งถึงทาอะไรต่อมิอะไรอื่นๆนมันก็ผิดไป หลงไปเห็นผิดนี่ตัวที่มีโทษนะถ้าเป็นอริยะมันก็คือห่างไกลจากโทษห่างไกลจากความผิดพลาดห่างไกลจากมิจฉาทิฏฐิห่างไกลจากความเห็นผิดผิดทั้งหลายนะความเห็นผิดผิดทั้งหลายก็เริ่มต้นตั้งแต่ความเห็นผิดชนิดรุนแรงต่างๆไม่เชื่อโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อบาปบุญกุลโทษต่างๆ ไม่รู้จักบาปอยู่ตรงไหนบุญอยู่ตรงไหนผลของบาปอยู่ตรงไหนผลของบุญอยู่ตรงไหนไ ม, ไม่ทราบมองไม่เห็นอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฐิในขั้นพื้นฐานทุกท่านรู้ไม่บาปอยู่ตรงไหนตอนนี้บาปอยู่ตรงไหนครับเนี่ยรู้ไหมบุญอยู่ตรงไหนรู้ไหมผลของบุญอยู่ตรงไหนผลของบาปอยู่ตรงไหนบางท่านก็ฟังมานานรู้แหละมันอยู่ในใจแต่เห็นไหมเนี่ย เพราะตอนนี้บุญก็มีอยู่ในนี้บาปก็มีอยู่ในนี้ผลของบุญก็มีอยู่ในนี้ผลของบาปก็มีอยู่ในนี้นะบุญก็คือความตั้งใจดีนี่มันเป็นบุญขี้เกียจมันก็เป็นบาปมันอยู่ในใจเรานั่นแหละเราต้องแยกแยะออกให้เห็นนี่อย่างนี้ถ้าไม่เห็นมันก็เป็นมิจฉาทิฐิมันหลงอยู่ผลของบุญมันก็ปลอดโปร่งใจสบายใจผลของบาปมันก็ทุกข์เครียดวิตกกังวลต่างๆนานาเนี่ย มันเป็นอย่างนี้แต่พวกเราโดยมากบุญเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะออกไปข้างนอกๆ อ, อยู่ที่ทำโน่นทำนี่พิธีโน่นพิธีนี้บาปมันก็ดูอยู่นอกๆ น, นะผลของบุญผลของบาปก็เลยอธิบายกันนอกไปเลยมองไม่เห็นทุกท่านก็เลยต้องสังเกตว่าตอนนี้ใจเราเป็นบุญหรือเป็นบาปต้องเห็นบ่อยๆนะสบายใจนี่มันเป็นผลของบุญถ้าเป็นทุกข์เครียดนี่มันเป็นผลของบาป ถ้ารู้เรื่องมรรคแปดนี่ยิ่งจะช่วยให้เราเห็นชัดเรื่องบุญเรื่องบาปได้ชัดนะเห็นชัดเรื่องกุศลอกุศลได้ชัดถ้าเห็นถูกนี่เป็นกุศลถ้าเห็นผิดนี่เป็นอกุศลนะเช่นเราเห็นว่าโอ้คนนี้ตายเป็นธรรมดาอันนี้เป็นกุศลแต่เห็นว่าคนนี้จะอยู่อีกนานนี่เป็นอกุศลเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมแบบนี้แต่บางท่านไม่เห็นไม่เห็นเอ้ยหมอนี่มันเลวแท้อันนี้เป็นอกุศล เห็นไหมไม่เห็นเห็นแต่ชาวบ้านมันเห็นผิดไงเห็นไม่ตรงไอ้หมอนี่นี่ใสไม่ดีอันนี้เป็นอกุศลอ้นี้นี่ใส่ดีจังนี่ก็เป็นอกุศลอ้าวทาไมมันเป็นอย่างนั้นมันเห็นผิดมันเห็นผิดเพราะกุศลอกุศลมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ในใจเขาเห็นผิดไงเห็นผิดแต่เรานี่มันไม่รู้เนี่ยมันก็เลยงงอยู่นี่ต้องรู้จักดีๆต้องรู้จัก คนอื่นเขาดีเนี่ยเราไปว่าเขาดีก็ผิดคนอื่นเขาไม่ดีเราไปว่าเขาไม่ดีก็ผิดผิดหมดทำไมมันผิดหมดเพราะดีไม่ดีมันไม่ได้อยู่ที่เขามันอยู่ที่ใจนะฮะเราจึงต้องรู้จักรู้จักเห็นให้มันตรงให้มันถูกต้องคนอื่นเขาดีเราก็ว่าเอออย่างนั้นอย่างนั้นคือคืออย่างนั้นแหละอันนี้ถูกคนอื่นเขาไม่ดีก็เอออย่างนั้นแหละนี่ถูก อย่าไปว่าเพราะว่าของดีเราก็ไม่ต้องไปว่าดีเพราะดีมันก็คือดีของมันอยู่แล้วเราไปว่าดีไปยึดดีมันก็ไม่ดีเพราะว่าเราไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับดีมันไม่ถูกนะเพราะดีของเขาก็เป็นดีของเขาเป็นดีของเราไหมไม่เกี่ยวเลยชั่วของเขาก็เป็นชั่วของเขาเกี่ยวกับเราไหมไม่เกี่ยวเช่นเดียวกันเนี่ยเราก็เลยต้องเห็นให้ถูกต้องเห็นให้ตรงอย่าเอาเอาดีของคนอื่นมาเป็นดีของตน อย่าเอาชั่วของคนอื่นมาเป็นชั่วของตนอย่าไปแบกชั่วอย่าไปแบกดีหรือเขามีความสุข<น>ก็ไม่ต้องแบกสุขของเขาหรือเขามีเป็นทุกข<น>์ก็ไม่ต้องไปแบกทุกข์ของเขาเขาสุขก็เอออย่างนั้นก็เป็นผลที่มาจากของดีเขาทุกข์ก็ว่าเอออย่างนั้นเป็นผลที่มาจากกรรมชั่วนี่อันนี้คือเห็นถูกเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือกุศลแหละคือกุศลแต่พวกเราโดยมากนี่ไม่รู้จัก พอไม่รู้จักเราก็เลยเจริญกุศลไม่เป็นพอเข้าใจไหมอย่างนี้นะนี่อย่างนี้ทํำนองนี้ทุกท่านก็เลยต้องฟังให้ดีๆฟังแล้วไปหัดเจริญกุศลหัดหัดเจริญกุศลให้มันถูกต้องเห็นถูกนี่เป็นกุศลเห็นผิดเป็นอกุศลสัมมาทิฏฐินี่เป็นกุศลนะมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลคิดถูกต้องก็เป็นกุศลสัมมาสังกัปปะก็เป็นกุศลมิจฉาสังกัปปะก็เป็นอกุศลไป มันอย่างนี้นะให้เราได้รู้จักนะครับนี่ความหมายของอริยะอริยะคือมันห่างไกลห่างไกลจากบาปห่างไกลจากอกุศลห่างไกลจากกิเลสห่างไกลนะอริยมรรคทั้งแปนี่เช่นสัมมาทิฏฐิมันก็ห่างไกลจากมิจฉาทิฏฐิมันเป็นฝ่ายตรงข้ามกันเลยทีเดียวนะถ้าเป็นสัมมาสังกัปปะมันก็ห่างไกลจากมิจฉาสังกัปปะจนมันตรงข้ามกันเลยทีเดียวให้เราได้รู้จัก แยกแยะเห็นผิดเป็นเห็นผิดเห็นถูกเป็นเห็นถูกคิดผิดเป็นคิดผิดคิดถูกเป็นคิดถูกต้องแยกแยะให้ดีต้องแยกแยะพอแยกแยะแล้วก็ไปทำความเพียรเพื่อที่จะละละมิจฉาทิฏฐิทำความเพียรเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิแยกแยะให้เห็นให้รู้มิจฉาสังกัปปะคือความคิดผิดให้รู้จักรู้จักแล้วก็ทาความเพียรเพื่อละ ละมิจฉาสังกัปปะทำความเพียรเพื่อเข้าถึงสัมมาสังกัปปะนะก็อยู่ในตัวเราทั้งนั้นเลยอยู่ทุกๆอิริยาบถได้ทุกที่ขอให้ทําความเพียรเพื่อเรื่องนี้ไม่ใช่มาทําความเพียรเพื่ อ, น, อ น, นั่งสมาธิไม่ใช่ทําความเพียรเพื่อเดินจงกรมแต่ทําความเพียรเพื่อละมิจฉาทิฐิเราอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันต้องทําความเพียรเพื่อละตรงนี้เลยต้องเห็นก่อนนะอย่างเช่นว่าเราเห็นว่าไอ้มอนี่เลวมาก อันนี้มันเห็นผิดเราก็ต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยนี่มันเห็นผิดนี่เราต้องทําความเพียรเพื่อละละความเห็นอันนี้เสียเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเขาเนาะอย่าไปว่าเขาผิดนะเราว่าเขาผิดนี่เราก็ผิดไปด้วยเพราะเราไปว่าความผิดนะเราไม่ต้องว่าอย่างขวดน้ํำเป็นขวดน้ําเราต้องว่ามันเป็นขวดน้ํำไหมไม่ต้องว่าเพราะมันเป็นขวดน้ําอยู่แล้วเราไปว่าเราถูกหรือเราผิดผิดอ้าวทาไมมันผิดก็ดีฉันว่าถูกอ่ะ ว่าถูกก็ผิดเหมือนเดิมห้ามว่าอย่างนี้เข้าใจไหมงงไหมเนี่ยไม่งงเพราะว่าพูดไม่ได้ให้งงไงพูดให้เข้าใจมันดูเหมือนยากอยู่แต่ต้องรีบเข้าใจจะได้ไปทำได้มันทำได้ทุกที่ด้วยทำได้ทุกเวลาเช่นดวงอาทิตย์ขึ้นก็ไม่ต้องไปว่ามันขึ้นให้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นนี่สัมมาทิฏฐิมันยากถ้าบอกว่าไปว่ามันขึ้นปุ๊บนี่ผิดเพราะไปว่ามัน เพราะจริงๆไม่ต้องว่ามันก็ขึ้นอยู่แล้วไอ้ไปว่านี่มันผิดอยู่เวลาเขาดีจึงไม่ต้องว่าเขาดีให้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของแกนะถ้าเขาชั่วก็ไม่ต้องไปว่าเขาชั่วอ๋อเรื่องของแกเหมือนกัน interior. อย่างนี้เข้าใจไหมเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้นก็ไม่ต้องไปว่ามันขึ้นเพราะดวงอาทิตย์ขึ้นมันก็ขึ้นนะถูกผิดไม่รู้เรื่องของมันแต่ว่าเรารู้จักว่ามันเป็นอย่างนี้ดวงอาทิตย์ตกก็ว่ามันตกมันเรื่องของมัน เราไม่ต้องไปว่ามันนะอย่างนี้ส่วนวิธีว่าให้ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมีวิธีต่อไปอีกตอนแรกอย่าพึ่งไปว่ามันอย่าไปว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าจะว่าให้ถูกเราก็ว่าโอ้มันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงเนี่ยเราก็เติมสัมมาทิฏฐิเข้าไปตอนแรกเราพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิก่อนละที่ไปว่ามันนั่นแหละละที่ไปว่ามันดีละที่ไปว่ามันไม่ดีละที่ไปว่าคนนั้นละที่ไปว่าคนนี้มันผิดอยู่อันนี้คือ มิจฉาทิฏฐิเราต้องละอันนี้ทำความเพียรเพื่อละอันนี้คืออย่าไปว่าใครเขาต่อไปเมื่อเราละได้แล้วเราก็พยายามเพื่อสร้างสัมมาทิฏฐิเข้าถึงสัมมาทิฏฐิเราก็ค่อยว่าตอนแรกอย่าไปว่าแล้วค่อยว่าแต่ไม่ใช่ว่าเขาเราไม่ว่าเขาเราว่ามันไม่เที่ยงเราว่ามันอยู่ไม่นานเราว่านั่นไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยแค่นี้เองยากไหมแบบนี้ไม่ยาก อย่าลืมทำบ่อยบ่อยนะหลายท่านก็ไม่เคยทําสักทีนะแบบนี้นี่เป็นอย่างนี้แหละมันจึงไม่ห่างไกลาจากกิเลสสักทีกิเลสมันก็เลยอยู่กับเราตลอดเลยเพราะว่าเราไม่ได้เจริญมรรคนั่นเองแง่อย่างนี้นี่ความหมายของอริยะนะแปลว่าห่างไกลาจากกิเลสนะก็สัมมาทิฏฐินี้มันห่างไกลาจากมิจฉาทิฏฐิเราก็เลยต้องรู้จัก ส, สักกกกมมาสังกัปปะก็ห่างไกลจากมิจฉาสังกัปปะ ความคิดไม่ดีก็มีเยอะแยะนะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องชี้บอกได้ว่าเนี่ยคิดไม่ดีคิดไม่ดีอย่าไปว่าคนอื่นให้ดูตัวเองแล้วเราก็ทําความเพียนเพื่อละความคิดอันนี้อย่าไปคิดอันนี้อย่าคิดมากเรื่องนี้แล้วก็ไปหัดทําความเพียนเพื่อคิดให้ถูกต้องต่อไปอย่างนี้ทํานองนี้นี่ความหมายของคําว่าอริยะส่วนอีกคำหนึ่งก็คือมรอริยมรนะอริยมร มักคะก็มีสองความหมายหลักๆด้วยกันในเบื้องต้นหมายถึงเป็นหนทางเป็นทางดําเนินทำให้จิตมันเดินเดินไปได้ถ้าไม่มีทางจิตมันจะเดินไม่ได้มันเหมือนติดขัดนะถ้าเราไม่มีทางเราจะเดินไม่ได้ไปไม่ได้เหมือนกับเราจะไปสถานที่แห่งหนึง่งแต่มันไม่มีทางมันเป็นป่าหญ้ารกชัดมีหนามขวากน้าเต็มไปหมดเราเดินได้ไหมครับเดินไม่ได้ไปสู่เป้าหมายไม่ได้ก็เหมือนกัน นะมักแ8ดนี้เป็นเหมือนทางเดินที่ราบเรียบพาไปสู่เป้าหมายถ้าเราไม่มีทางนี้ก็เหมือนกับเรามีขวากหนามยิ่งถ้าเป็นมิจฉาทิฐิด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยขวากหนามเยอะแยะไปหมดต่อให้อยู่ใกล้สถานที่พระพุทธเจ้าประสูตรัสรูปนิพพานหรืออยู่ใกล้ชิดเลยจับพระเหลืองเลยแต่ถ้ามีขวากหนามคือมิจฉาทิฐิอยู่ก็เข้าไม่ถึงเพราะว่ามันไม่มีทางไปต่อให้เราอยู่หน้าองค์พระเลยอยู่มีพระล้อมรอบเลย อยู่ในเมืองพุทธเลยแต่ถ้ายังมีขวางน้าอยู่คือเห็นผิดอยู่นะเราไปวัดนี่แหละไปไหว้พระพุทธรูปนี่แหละไหว้พระพุทธเจ้านี่แหละแต่ว่าให้ท่านเป็นของขลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้เราสบายอกสบายใจช่วยขจัดปัดเป่าอันตรายขอบนท่านอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นขวางน้ำทำให้เราเข้าไม่ถึงธรรมะแหละนะที่ตัวที่เป็นขวางน้าก็คือตัวมิจฉาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิมันเลยเป็นมรรคเป็นทางเป็นพาตัวพาไปนะเป็นปฏิปทาเป็นมรรคเป็นทางดำเนินผู้ที่ต้องการถึงความสงบถึงความร่มเย็นเป็นสุขถึงความปลอดโปร่งสบายจะต้องมาเดินทางนี้ไม่มีทางอื่นเราต้องการไปถึงความสุขความสงบอย่างแท้จริงความสุขความสงบอย่างแท้จริงถ้าพูดสมบูรณ์เต็มที่ก็คือพระนิพพานความเย็น ความสบายปลอดโปร่งเนี่ยถ้าต้องการจะถึงตรงนั้นทุกท่านก็คงต้องการจะสงบใช่ไหมอยากจะสงบปลอดโปรง่งสบายไม่มีเรื่องกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เลยนะจำเป็นจะต้องมาเดินทางนี้จะต้องมามีสัมมาทิฏฐิจะต้องมามีสัมมาสังกัปปะเรียกว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นนะเรื่องอาหารก็จําเป็นสําหรับร่างกายมันจะได้ไม่พังตายเรื่อง ไปทำงานก็จำเป็นมันจะได้มีเงินใช้เรื่องเงินก็จำเป็นสำหรับเลี้ยงชีวิตเรื่องมัก8ก็จำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการความสงบร่มเย็นเป็นสุขปลอดโปรง่งมันจำเป็นควรเเรื่องกันนะแต่บางคนไม่เข้าใจเรื่องนี้อา้าวอยากจะมีความสุขจำเป็นต้องมีเงินอันนี้เห็นผิดถ้าอยากจะมีสบู่ล้างหน้าต้องมีเงินถูกแล้วเพราะว่าสบู่เขาไม่ได้ให้ฟรีนะต้องใช้เงินไปซื้อมา ถูกแล้วต้องมีเงินถูกต้องมีข้าวมันจะได้มีข้าวกินอันถูกนะอย่างนี้แต่พวกเรามันสับสนกันนะถ้ามีบ้านอยู่จะมีความปลอดภัยสะดวกก็คิดไปนี่ผิดนะถ้าต้องการที่อยู่อาศัยอันนี้ถูกแล้วมีบ้านถูกแล้วนะไว้อยู่อาศัยถ้าต้องการความสงบเนี่ยจาเป็นต้องมีมรรคอย่างนี้เข้าใจไหมนะพวกเราแม้จะอยากจะมีความสงบอยากจะมีความสุข จำเป็นต้องมีรถยนต์อันนี้พิดจริงๆแล้วถ้าอยากจะมีห้องแอร์เคลื่อนที่ขับไปที่ไหนก็ได้จำเป็นต้องมีรถยนต์ถูกแล้วอันเนี้ยนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีรถยนต์เราก็ต้องนั่งรถอะไรอื่นๆไปใช่ไหมมันก็ลาบากเนี่ยมันก็จาเป็นคนละอย่างกันมาร์นี้จาเป็นสำหรับผู้ต้องการความสงบทุกท่านต้องการความสงบไหมครับต้องการอยู่แล้วฉะนั้นจะมีเงินไม่มีเงินก็เลยต้องการมาร์กเหมือนกัน เพราะคนมีเงินก็ต้องการสงบคนไม่มีเงินก็ต้องการสงบแต่คนโดยมากเข้าใจผิดนึกว่าถ้ามีเ ง, เงินเยอะขึ้นจะสงบนี่ผิดแล้วนี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดแล้นี่ความหมายของคําว่ามรักนะความหมายที่หนึ่งก็คือเป็นปฏิปทาเป็นทางดําเนินเดินไปใครเป็นคนเดินคือจิตหรือตัวเรานั่นแหละตัวเราไม่มีมีแต่กายกับจิตตอนนี้เป็นฝ่ายจิต จิตมันเดินไปสู่ความสงบความร่มเย็นเป็นสุขปลอดโปรง่งเบาสบายเป็นอิสระไม่เครียดไม่วิตกกังวลจำเป็นจะต้องมาเดินทางนี้คนต้องการถึงนิพพานจำเป็นจะต้องเดินพูดภาษาเราเรียกว่าเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องบังคับเหมือนเราอยากจะทํางานนี้ก็ต้องมีคุณวุฒิอันนี้อันนี้นี้นะจำจะซื้อนั่นซื้อนี่ก็จําเป็นต้องมีเงินเนะ จะมีเงินก็จำเป็นต้องไปทำงานเนี่ยมันเรื่องจำเป็นทั้งนั้นถ้าอยากจะมีความปลอดโปรง่งเบาใจสบายใจก็ต้องมีมครคนั่นเองต้องการถึงนิพพานเนี่ยจะต้องมาเดินตามมครคนี่ความหมายที่หนึ่งแปลว่าทางเดินแปลว่าปฏิปทาดำเนินไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขปลอดโปรง่งสบายนี่เป็นต้องมาทางนี้ความหมายที่สองของคำว่ามครคความหมายที่2ก็คือ แปลว่าเผาทำลายข่าศึกเผาทำลายกิเลสเผาทำลายฝ่ายตรงข้ามได้ทำลายข่าศึกได้ข่าศึกที่แท้จริงหรือศัตรูที่แท้จริงสำหรับพวกเรานี้มันอยู่ภายในเป็นศัตรูภายในก็คือกิเลสทั้งหลาย น, นั่นเองเป็นศัตรูที่อยู่ข้างในศัต ร, นนะ ต, ต, รนตรูข้างนอกไม่มีนะมีแต่ศัตรูข้างในศัตรูข้างนอกไม่มีนะถ้าใครมีอยู่คือมิจฉาทิฐินะข้างนอกไม่มีนะ มาบ้าก็ไม่ได้เป็นศัตรูเราหรืออะไรเราทั้งนั้นศัตรูเราก็คือกิเลสอย่างเดียวอันอื่นไม่มีถ้ายังยังมีอยู่ก็เป็นมิจฉาทิฐินะเราก็เลยต้องมาเจริญมักรนะจึงจะทําถูกต้องไม่อย่างนั้นมันก็จะผิดไปเรื่อยโอ้ยมีศัตรูคู่อาฆาดเจ้ากรรมนายเวรนูน่นนี่นั่นเราไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรอันนี้เป็นมิจฉาทิฐิทําไปก็ไม่เกิดประโยชน์เสียเงินเสียเวลาและไม่ได้ประโยชน์ด้วยแถมได้โทษด้วย เอจจะไม่มีประโยชน์บ้างเหรอมีอยู่คือคนรับนะ่ยได้เงินเราไปถ้าจะพูดอย่างนั้นมันก็พูดเปรียบเทียบมันก็ได้อยู่ได้ผลประโยชน์แก่คนที่เขาหาผลประโยชน์นั่นแหละส่วนเรานะ่ยไม่ได้เลยได้แต่มิจฉาทิฐิไปไม่ใช่ได้ศูนย์นะติดลบด้วยนะหลังๆมาพวกเราก็เลยติดลบกันเยอะไปหมดแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขผลมันก็เห็นเอยู่คือเราไม่ปลอดโปร่งไม่สบายใจทําแล้วก็งงก็สงสยัยนั่นแหละ มันเป็นบาปถ้าทําแล้วมันไม่โปร่งไม่สบายยิ่งทํายิ่งงงยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งหวาดยิ่งกลัวนั่นแหละคือบาปนั่นนะเราไปทําบาปอยู่ถ้าเรารู้จักแค่นี้เราก็รู้แล้วผลของบาปเรารู้แล้วมันไม่ไม่สบายใจไม่ปลอดโปร่งมันเป็นทุกข์ผลของบาปมันเป็นทุกข์ผลของบุญมันเป็นทุกข์ไม่ได้สแสดงว่าที่เราทํามันไม่ใช่บุญมันเป็นบาปะทุกท่านก็เลยต้องดูนะสังเกตให้เห็นในใจเรานี่แหละ ถ้าเราทำอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะถูกแล้วมันไม่ผิดหรอกถ้ามันถูกถ้าทำทาผิดเนี่ยพอทำผิดจะให้มันถูกก็ไม่ได้อีกเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยก็เลยต้องหัดสังเกตให้ดีออันนี้ทีนี้ถูกผิดมันเป็นของคู่โลกเราจะโทษโลกก็ไม่ได้จะต้องฟังธรรมะแล้วก็เลือกสรรให้ดีของไม่ถูกเราก็ให้หลบเลี่ยงไปของถูกเราก็มาทำเนี่ยใหเรารู้จักอย่างนี้จะไปโทษโลกว่าโอ้ วัดนั้นก็ผิดวัดนี้ก็ผิดอันนั้นทําไมมันผิดเยอะแย้อย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าถูกกับผิดมันของคู่โลกเขาเราจึงต้องรู้จักรู้จักถ้าเราไม่รู้จักเราก็ต้องมีที่อาศัยคือพระพุทธเจ้าอาศัยพระธรรมมาฟังให้ดีแล้วก็เลี่ยงอันที่ผิดมาทําอันที่ถูกนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่ความหมายที่2ของคําว่ามักก็แปลว่าเผาทําลายฆ่าศึก เขาทำลายฝ่ายตรงข้ามได้นะถ้าทำลายฝ่ายตรงข้ามได้ต่อไปเราก็สบายไม่ต้องหวาดหวัน่นหรือว่าไม่ต้องเครียดแล้วนะเพราะทำลายมันก็สบายแหละแต่ตอนที่ยังทำลายไม่ได้มันก็ต้องระมัดระวังใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอยู่ในโลกก็เลยประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวแม้แต่ลมหายใจเดียวห้ามประมาทแต่พวกเราโดยมากพากันประมาทเบาใจอย่างนั้นอย่างนี้ โดยเฉพาะผู้อพอพที่ไปทำบุญก็โอ้ยทำบุญเสร็จเรียบร้อยได้รถน้ามนแล้วเออสบายใจแล้วนี่ก็โง่นี่เป็นมิจฉาทิฏฐินะจริงๆเขาทำบุญเพื่อให้ไม่ประมาทแต่ตัวเองทำบุญให้เกิดความประมาทนี่ผิดทำผิดทำผิดจะให้มันถูกไม่ได้นะเพราะทำผิดกลายเป็นถูกไม่ได้ทำอย่างใดมันก็เป็นอย่างนั้นเลยนะท้งพูดเรานี้ตายตัวนะเราไม่ดูว่าเอ๊ะกายนั่นกายนี่คือ ถ้าทำผิดก็ผิดเลยทำถูกก็ถูกเลยนี่ฉะนั้นถ้าไม่อยากผิดอย่าทำเท่านั้นเองถ้าทำแล้วก็ผิดไปเลยผิดก็ต้องยอมรับยอมรับแล้วก็อย่าทำอีกนี่หลักง่ายๆเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะความหมายของอริยะความหมายของมัคอริยะแปลว่าห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกโทษภัยอันตรายต่างๆห่างไกลมัคแปลว่าทางเดิน หรือเป็นเครื่องทำลายฝ่ายตรงข้ามเดินไปสู่ความสงบผู้ที่ต้องการความสงบจำเป็นจะต้องเดินจำเป็นจะต้องมีปฏิปทาให้เข้าถึงความสงบถ้าไม่มีอันนี้ให้มีเงินจนล้นฟ้าก็ไม่สงบมีตำแหน่งสูงจนเท่าเท่าเท้าส ก, กะก็ไม่สงบแต่ถ้ามีมรรคเนี่ยไม่ต้องสูงอะไรดอกนั่งแองแมงอยู่แถวเนี่ยก็สงบแล้วแค่นี้ เข้าใจไหมครับอย่างนี้นี่ความหมายของอริยมรรคซึ่งอริยมรรคนี้มีองค์ประกอบอยู่8อย่างซึ่งหลายท่านก็รู้จักชื่อแล้วจึงจําเป็นมากสําหรับพวกเราตัวนี้แหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะทุกท่านก็เลยไม่ต้องเครียดเรื่องว่าได้มีเวลาเดินจงกรมได้มีเวลานั่งสมาธิได้มีเวลาไปวัดไปวารืึเปล่าไม่จําเป็นต้องเครียดเรื่องนั้นจําเป็นต้องเครียดว่ามีสัมมาทิฏฐิไหมมีสัมมาสังกัปปะไหมนะ เราทำอะไรให้มีสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ฟังให้ดีๆแล้วก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติได้ทุกที่นั่นแหละนะให้เดินจงกรมนั่นแหละแต่ว่าให้ประกอบสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะเข้าไปในการเดินนะั้นให้นั่งสมาธินั่นแหละแต่ประกอบอันนี้เข้าไปหรือไม่ได้นั่งก็ประกอบเข้าไปที่บ้านนั่นแหละประกอบเข้าไปที่นอนก็ยังได้ตอนนอนนะ่ะก็ให้มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปว่านอนเพื่ออะไรเราไม่ได้นอนเอาความสุข ไม่ได้มีใครมีความสุขจริงจากการนอนเขานอนกันมาเยอะแล้วเราจะไปซ้ำเดิมคนอื่นเขานอนเยอะแล้วมีความสุขนี่มีใครบ้างไหมมีมีบ้างไหมในโลกใบนี้มีไหมคงจะมีเราคนแรกในโลกในจักรวาลนี้นะนอนมากแล้วมีความสุขนอนจนบรรลุธรรมมีไหมไม่มีก็มีแต่พวกเราคิดกันได้นอนจนโอ้เนี่ยเนี่ยอย่างนี้ทำตองนี้นะให้เราได้รู้จัก ใส่ส ม, มาทิฏฐิเข้าไปในการนอนก็ยังได้เหมขนาดการนอนก็ยังประกอบสัมมาทิฏฐิเข้าไปได้ปฏิบัติทำได้นะนอนให้มันถูกต้องนอนให้มันพอดีอย่านอนให้มันเกินพอดีเกินพอดีคือจะนอนเอาความสุขนอนเอาความสะดวกสบายนอนเอานั่นเอานี่ไม่มีนะจะเอาความรู้ยังนอนไม่ได้เลยจะเอาความรู้ก็ต้องไปเรียนหนังสือให้มันพอดีกันนะอย่างนี้ทนองนี้บางท่านว่าแหม เพื่อให้ได้ธรรมะนี่หมอนชั้นดีเลยนอนหนุนเข้าไปเป็นไงครับซึมไหมไม่มีทางนะอย่างนี้ตำหน่งนี้นี่อยา่างนี้บางท่านก็โอ้ยเทคนิคแพลว่าแล้วเกินเปิดซีดีธรรมะนอนฟังทั้งคืนนะนั่นแหละนะอย่างนี้ก็ว่าไปเทคนิคแต่ละคนก็เหลือไา้จริงจริงฉะนั้นอย่ามีเทคนิคมากเกินไปให้ฟังให้เข้าใจแล้วเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปทำขอให้ทาให้ถูกนะ ทำให้ถูกมันไม่ผิดหรอกอย่าทำผิดก็แล้วกันทำให้ถูกฝึกฝึกไปนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี้ความหมายของอริยมรรคนะครับแปลว่าเป็นทางที่ทำให้ห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากความเห็นผิดห่างไกลจากความคิดผิดห่างไกลจากอุปสรรคขวากหนามทั้งหลายต่อไปถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วอุปสรรค ความหนามก็จะหมดไปแม้เราจะอยู่ไกลพระพุทธเจ้าจนคนละยุ ค, คนละสมัยห่างกันเป็นสองพันกว่าปีก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วก็อยู่ใกล้ชิดอุปสรรคมันหมดไปแล้วแต่ถ้ายังมีอุปสรรคต่อให้อยู่ในยุคพระพุทธเจ้าด้วยกันอะไรด้วยกันก็ยังคาอยู่นั้นเพราะมันมีอุปสรรคนี่พอเข้าใจไหมการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันบางท่านก็มีอุปสรรคจะไปวัดแต่ละทีก็โอ้อย่างนู่นอย่างนี้หาเวลาปฏิบัติก็ลําบาก มันไม่ใช่หาลำบากหรอกมันมีมิจฉาทิฏฐิมันเลยมีอุปสรรคถ้ามีสัมมาทิฏฐิมันไม่มีอุปสรรคอยู่ที่บ้านนั่นแหละอยู่ที่ทำงานนั่นแหละอยู่ที่ไหนๆนั่นแหละเลี้ยงลูกอยู่นั่นแหละเลี้ยงอะไรอยู่นั่นแหละไม่มีอุปสรรคใดๆนี่มันเป็นอย่างนี้นะให้ทุกท่านได้เข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจนี่หลายท่านก็มีอุปสรรคเยอะแยะมาพูดมา บนอยู่เรื่อยๆอาจารย์ดิฉันไม่ค่อยมีเวลาต้องทํางานเยอะทุกข์ก็มากเครียดก็เยอะงานก็แยะอะไรก็ว่าไปอย่างนี้ไม่ต้องพูดก็ได้มันเสริมอัตราตัวตนของเรามันแค่ต้องการให้ตัวเองดูดีขึ้นเท่านั้นเองจริงๆมันไม่ช่วยให้ดีอะไรเลยเราให้ทิ้งพวกนั้นไปมันเสียเวลาให้เราฟังธรรมะแล้วเอาไปปฏิบัติซะนไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากทําเท่าที่เราทําได้ก่อน เท่าที่เราเป็นอยู่ไม่ต้องต่างจากเดิมก็ได้เอาแบบเดิมนี่แหละแต่ใส่ความเห็นถูกเข้าไปใส่ความคิดถูกเข้าไปนี่อย่างนี้ทานองนี้นี่ความหมายของอริยมรรคนะเป็นทางที่ทำให้ห่างไกลาจากกิเลสห่างไกลาจากความทุกข์ต่างๆนะเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้ละกิเลสได้อย่างแท้จริงเผาทาลายกิเลสเผาทาลายมิจฉาทิฏฐิได้เนี่ยอย่างนี้นะครับ ทีนี้พูดถึงความหมายของอริยมรรคแล้วต่อไปก็พูดถึงความสาคัญบางความสําคัญก็พูดปนๆไปแล้วเมื่อกี้หลายข้อทีเดียวแต่ว่าพูดเป็นข้อๆสักนิดนึงก็มีเยอะแยะมากมายจะพูดสักเล็กน้อยความสําคัญของอริยมรรคมีองแปดนะข้อที่หนะึ่งเนี่ยก็เป็นหลักธรรมที่เรียกว่าเป็นฝ่ายสังขารที่เราทาได้ที่ดีที่สุดเลิศที่สุด สิ่งที่ดี ses, ที่สุดที่เราทําได้เนี่ยมีอันเดียวนี่แหละก็คือมรรคแเป็นสิ่งที่เราทําได้และทําได้มันดีที่สุดด้วยอันอื่นมันก็ดีเหมือนกันให้ทานรักษาศีลก็ดีเหมือนกันขยันทำมาหากินก็ดีเหมือนกันเป็นพ่อที่ดีก็ดีเหมือนกันเป็นสามีที่ดีเป็นภรรยาที่ดีก็ดีเหมือนกันเป็นคนดีของโลกก็ดีเหมือนกันมีคุณธรรมก็ดีเหมือนกันก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่ามรรคแเนี่ย เป็นธรรมฝ่ายสังขารที่ดีที่สุดเลิศที่สุดเลิศที่สุดนะเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครทำได้เนี่ยใครใครก็ยอมรับแม้แต่เทวดาพรหมก็ก้มหัวให้เลยว่าอันนี้มันยอดกว่าเขาไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เราอย่างเดียวจึงได้ว่าเป็นธรรมะฝ่ายสังขารที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดฝ่ายสังขารก็คือฝ่ายที่เราสามารถหาความรู้แล้วปลูกมันได้สร้างมันได้สา ม, มาทิฐิเนี่ยสามารถสร้างได้ สร้างได้โดยการมาฟังธรรมเอาข้อธรรมะต่างๆที่ฟังแล้วไปโยนิโสไปใส่ใจให้เข้าใจอะไรเป็นอะไรนะแล้วก็เอาไปฝึกปฏิบัติปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมอ่านเะนี่ยสัมมาสังกัปปะก็สร้างได้ศีลก็สร้างได้สมาธิก็สร้างได้สิ่งเหล่านี้สร้างขึ้นมาได้เขาเรียกว่ามันเป็นของที่เป็นสังขารเป็นของถูกปรุงแต่งนะอย่างนี้สร้างแล้วมันดีที่สุดแหละดีที่สุด นะถ้าสร้างเงินสร้างทองมันก็ไม่ดีเพราะเราไปเปรียบเทียบกับคนที่เขามีเยอะกว่าเราเราก็ตกกระป๋องไปนะสร้างลูกได้สองคนไปเทียบกับสามคนเราก็ตกกระป๋องไปอีกได้มีลูกอยู่สมคนเขามี18คนเราก็สู้เขาไม่ได้นะเรามีเงินมีเพชรนินจินดาเท่านั้นเท่านี้เป็นกระป๋องกระป๋องบางท่านไม่ถึงกระป๋องแร้วนะมีเท่าหนวดกุ้งเตอนนั้นแหละสะดุ้งจนเรือนไหวไปหมดแล้วนะมันก็ ไปเทียบกับเทวดาชั้นจะตุมชั้นดาวดึงมันก็ขี้ประติว๋วนะจะไปแต่งหน้าให้ดูสวยงามหามมอยจไรเซอร์มาทาให้สวยหรือหาเมือกหอยทากมาทาให้มันอ่อนนุ่มไปเทียบกับเทวดาชั้นดาวดึงเขาก็ตกกระป๋องมันก็ไรสาระนะมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ไม่เลิศแต่ถ้า สัมมาทิฏฐิเนี่ยมาฟังทำรรแล้วมาฝึกเนี่ยโอเทวดาทุกชั้นเนี่ยเขายอมแ ล, ล้วก้มหัวให้เลยนะนะสัมมาสังกัปปะก็เหมือนกันมันจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันอื่นอื่นเราทําไปถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วก็เป็นเรื่องเล็กๆทั้งนั้นนหะคนดีก็มีเยอะแยะเราทําดีมันดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกับคนอื่นแล้วอะไรแล้วขยายออกไปแล้วโอ้เราก็จิบจ้อยเรามีเงินเท่านี้ถ้าขยายออกไปแล้วมันก็โอ้จิบจ้อยฉะนั้นเรื่องต่า ง, างๆทั้งโลกก็เอาให้พอดีกับเรา มช <Match S 2> กับเราอย่าไปอะไรมากถ้าจะอันดีที่สุดนี้คือมรค8เนี่ยดีที่สุดเลยในใครใคทุกชั้นฟ้าเขายอมรับหมดไม่ใช่เฉพาะเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์มิจฉาทิฏฐิมันเยอะเขาอาจจะไม่ยอมรับก็ได้อันนั้นช่างเขาแต่ถ้าเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยโอ้ถ้าใครปฏิบัติมรค8ได้นี่เขาแม่เขาก้มหัวให้เลยนะเขามากราบเลยนะนี่มันดีขนาดนั้นนะนะนี่จึงเป็นธรรมะฝ่ายสังขารที่เลิศที่สุด เป็นรัตนะเป็นของมีค่าที่ควรแก่คนที่มีคุณค่าหรือว่าคนที่เหมาะสมที่จะได้ไปนะคนทั่วๆไปเนี่ยถ้าไม่เหมาะสมไม่มีวันที่จะได้สมบัติอันมีค่าเหล่านี้ไปสมบัติอันมีค่าเหล่านี้เป็นของที่คู่ควรต่อคนที่คู่ควรนะพวกมรรคแดเนยนะต้องคู่ควรที่จะได้ ถ้าไม่คู่ควรที่จะได้เช่นพึ่พวกอิกเลเคนคาขี้เกียจนอนตื่นสายเห็นแก่กินพวกนี้รับรองไม่มีวันได้ไปนะต้องเป็นคนที่เหมาะสมเท่านั้นจึงจะได้ไปเหมือนกับสมบัติที่มีค่าเช่นเพชรเม็ดโตโตอย่างเงี้ยพวกเราคงจะไม่มีสิทธิ์ได้ได้เห็นนะนะใครเขามีสิทธิ์ได้บางแหวเพชรเม็ดโตโตนะก็คงจะเป็นระดับควีนระดับราชินีระดับอะไรก็ว่าไปนะเป็นของคู่ควรแต่นี่มันเด็กๆ ถ้าไปเทียบกับเทวดาชั้นจตุมมันก็ก็ไม่ต้องเทียบก็ได้นะก็เพชรแค่แค่หัวเท่ากัมปั้นนี่ยใช่ไหมของชั้นโน้นเขาเขาเพชรทั้งทั้งหลังเลยนเะนี่ยอย่างนี้เขาขนาดนั้นนี่มันก็เทียบไม่ได้แต่ถ้าเป็นอริยมรตมีองแปดเนี่ยเป็นสมบัติที่มีค่าเป็นรัตนะที่สูงค่ากว่านั้นมากอย่างเทียบกันไม่ได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้ และเป็นของที่ควรค่าแก่คนที่คู่ควรเท่านั้นจึงจะได้ไปต้องเป็นคนเป็นบัณฑิตเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณธรรมเป็นคนที่เห็นตรงถูกต้องเหมาะสมจึงจะได้รับนี่เห็นนี่เป็นความสําคัญของอริยมรรคมีองค์แเป็นสิ่งที่เป็นสังขารที่ดีที่สุดเลิ่ที่สุดเป็นรัตนอันมีค่าอันสูงค่า เหมือนกับในทะเลมีรัตนะที่สูงค่าเยอะแยะเพชรนินจินดาส่วนใหญ่อยู่ในทะเลก็เหมือนในธรรมวินัยนี้มีสมบัติอันมีค่ามากมายซึ่งในนั้นสมบัติอันมีค่าที่สุดก็คือมรแปดอยู่ในนั้นแหละอยู่ในธรมนนธรมวินัยนี้แหละธรรมวินัยของพวกเรานี่แหละในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านี่แหละวันนี้มาพูดให้ฟังทุกท่านก็อย่าลืมเอาไปนะถ้าได้สมบัติอันมีค่าแล้ว เงินทองก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วเราได้ของที่มีค่ากว่านั้นได้สัมมาทิฐิแล้วไอ้เรื่องได้คำชมคำดา่าคำอะไรต่างๆนี่คงไม่ใช่ประเด็นกลายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไปแต่พวกเราโดยมากไม่รู้จักของมีค่าและเราไม่ได้ของมีค่าไปเลยเราก็เลยวุ่นอยู่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นคนดา่าคนนินทาคนทําร้ายเราอย่างนั้นอย่างนี้เจ็บปวดโน่นนี่นั่นเป็นโรคอะไรต่อมีอะไร วุ่นวายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นเรื่องพื้นๆเพราะเราไม่รู้จักของมีค่านะแล้วก็ไม่ได้ทำตัวให้เหมาะกับการที่จะได้รับของมีค่าทุกท่านจึงต้องหัดฝึกตัวเองให้เป็นคนคู่ควรที่จะได้รับของมีค่านะถ้าได้ของมีค่าไปแล้วอันอื่นๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยไปท่านไม่ต้องไปดูหมินดูถูกของเล็กน้อยของเล็กน้อยก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นพยายามฝึกตัวเอง ให้เหมาะกับการที่จะได้รับของมีค่านะเดี๋ยวอั น, นอื่นเราก็จะเข้าใจเองเพราะเรารได้ของมีค่าไปแล้วอันอื่นมันก็เป็นเรื่องเล็กใช่ั้ยเราก็ไม่ได้ว่าเขาแต่ว่าเราเห็นลเข้าใจแล้วนี่อย่างนี้นี่นะความสำคัญของอารยมครคมีองค์8ข้อที่1ก็คือเป็นสังขารที่เลิศที่สุดข้อที่2ก็เป็นรัตนะที่มีค่าสูงมาก ต่อไปข้อที่3อริยมรตมีองแปดนี้เป็นตัวชี้วัดความผิดความถูกเพราะถูกอย่างแท้จริงเรียกว่าถูกร้0เอร์เซ็นี่ยก็คือมรตแปดนี่มันถูกเต็มที่เขาเลยเรียกว่าสัมมาคือมันถูกต้องถูกอย่างเต็มที่ทีนี้ในโลกของพวกเรานี้มันถูกและผิดมันปนเปนกันอยู่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยมีหลักในการนำไปพิจารณาว่าอะไรมันถูกแน่นะเพราะว่า คำพูดสมมติบัญญัติมันก็ปนเปกันบางทีวัฒนธรรมนี้ว่าอันนี้ถูกพอไปอีกวัฒนธรรมหนึ่งมันผิดบางทีขับรถด้านซ้ายมันถูกบางทีไปอีกที่หนึ่งมันผิดมันงงงนะถ้าเมืองไทยเราก็ถ้าเป็นไฟเหลืองเนี่ยก็ต้องรีบไปมันจึงถูกถ้าจริงๆเนี่ยมันก็ต้องรีบหยุดมันถึงถูกมันงงมันรู้ถูกหรือผิดกันแน่เรากําลังอ้าวไฟเหลืองเรากําลังจะหยุดนะเราอุตส่าห์ว่าแบบนี้ถูกแล้วนะไอ้พวกข้างหลังมาบอก บีบตแตรไล่อีกเอ้าเราหาว่าเราผิดเราก็ต้องไม่รู้จะไปทางไหนก็ไม่ว่ากันอันนี้คือมันไม่แน่นอนนั่นเองสรุปแล้วผิดผิดถูกถู ก, ถ ก, ถกทางโลกมันก็งั้นๆแหละทีนี้พวกเราก็ต้องมีหลักการในการตัดสินว่าอะไรมันถูกแน่ๆร้อยเปอร์เซแน่นอนเราไม่ได้ไปตัดสินชาวบ้านเขาหรอกเราจะได้เอามาเป็นหลักปฏิบัติของเราส่วนถูกผิดทั้งโลกแล้วเขาปล่อยๆล่อเขาไปมันของเปรียบเทนะียบนี่ยเล็กๆน้อยๆอยแล้วก็อย่าไปจริงจังเราเอาที่ถูกแน่แน่ไว้ ก็คือมรแปดเนี่ยถูกเต็มที่เลยสัมมาทิฏฐิเนี่ยถูกอันไหนถูกอันไหนผิดเนี่ยเราก็มีหลักแล้วตอนเนี้ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยถูกเห็นถูกเนี่ยถูกนะเห็นผิดมันผิดนะเห็นถูกมันเป็นกุศลเห็นผิดมันเป็นอ ก, กุศลเราก็แยกแยะได้แล้วตอนเนี้ยไม่ยากนะไม่อย่างนั้นแล้วเราก็จะงงเออหมอดูเนี่ยเขาก็พูดถูกเหมือนกันนะ ตกลงมันถูกหรือมันผิดที่เขาพูดถูกเนี่ยมันงงนะก็เขาพูดถูกนะเนีคุณมีปัญหากับคนใกล้ตัวนะเนี่ยเขาก็พูดถูกเหมือนกันนะเรากำลังมีปัญหากับสามีเราอยู่เขาก็พูดถูกตกลงเขาถูกไหมคะอาจารย์เขาก็พูดถูกนะคะผิดครับทํำไมผิดเพราะมันเห็นผิดครับเห็นถูกคืออย่าให้มันพูดนั่นแหละ <S <S <c oughs> เราทะเลาะ ก, กับสามีเรามีปัญหากับสามีเรามาพูดเรื่องของเราทําไมเรื่องของมันไม่มีแล้วทําไมไม่พูดเอง มาพูดเรื่องเราทำไมเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมนี่เราจะได้ตัดสินได้ถูกต้องไหมอ่ะมันงงนะเขาเขาพูดถูกก็เขามันงงไงมันลําบากไงมันไม่รู้เขาเขาทำผิดแล้วเขาไม่ผิดแล้วมันมันงงเหมือนกันนะมันก็ยุ่งกับถูกถูกผิดผฉะนั้นเราอย่าไปยุ่งกับใครเขาให้เราถูกที่สุดไว้ถูกในแง่นี้เราไม่ได้ต้องการเอาถูกหรอกเราแค่ต้องการให้มันหมดทุกข์เท่านั้นเองให้มันชําระจิตให้สะอาดได้ เพราะถ้าถูกไม่จริงเนี่ยมันจะชำระความผิดไม่ได้มันต้องถูกจริงๆมันจึงจงชำระความผิดได้ของต้องสะอาดจริงๆมันต้องจึงจะชำระสิ่งที่ไม่สะอาดได้เหมือนผ้าเนี่ยต้องสะอาดจริงๆมันต้องจะมาชำระอะไรพวกนี้ได้ถ้าผ้ามันไม่สะอาดเราเอามาเช็ดไปครับมันก็คาคาอยู่นั่นแหะมันก็แหม่มันก็ดูเหมือนสะอาดเหมือนแต่มันมันเหมือนอะไรคาคาอยู่มันไม่สะอาดจริงไงก็คล้ายๆกัน น่ยอย่างนี้ทำตนนัวนี้ทีนี้เพื่อเป็นหลักตัดสินสําหรับพวกเราก็นี่แหละมรแปดนี้เป็นตัวตัดสินเลยทีเดียวตัดสินให้เราไม่ได้เป็นตัดสินใครหรอกตัดสินเราเองนี่แหละว่าอันไหนถูกอันไหนผิดส่วนทั้งโลกก็ถูกผิดก็ปนก็ว่ากันไปนะก็วางวางไว้ส่วนใจของเราเนี่ให้รู้ถูกคือสัมมาทิฏฐิผิดคือมิจฉาทิฏฐิถ้าทําตามมิจฉาทิฏฐิแล้วจะมีถูกบ้างผิดบ้าง ปนเปกันไปมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างทั้งโลกก็เรื่องของเขาแต่ว่าถ้ามิจฉาทิถิละผิดเนี่ยเราวางไว้อย่างนี้เข้าใจถูกแล้วนะอย่างนี้ไปแก้เวรแก้กรรมมีทํากรรมไม่ดีมาก็ไปแก้กรรมซะอย่างนี้ถูกหรือผิดเนี่ยผิดนะอย่างนี้ใครจะได้รับประโยชน์ไม่ได้รับประโยชน์หรือว่าสบายใจไม่สบายใจไม่ทราบาแต่มันผิดเพราะมันเห็นผิดนั่นเอง เพราะว่ากรรมเนี่ยมันเป็นของเกิดดับมันคือเจตนามันเป็นนามธรรมมันเกิดและมันดับมันไปแก้ไม่ได้กว่าแค่นี้แหละเราเข้าใจแล้วส่วนใครจะไปแก้ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับประโยชน์หรือถูกหรือผิดอันนั้นเรื่องของเขาแต่เราเข้าใจแล้วว่าเนี่ยมันเห็นผิดมันคือผิดเราไม่ไปว่าเขาหรอกเพราะถูกผิดมันคู่กับโลกเราจะได้ชําระใจของเราจะได้ห่างจากความผิดนะอย่างนี้ เพราะทำผิดมันจะนำทุกมาให้มันไม่สบายใจมันไม่ปลอดโปรง่งเราจำเป็นต้องเดินไปตามมักเดินไปตามผลทางเนี่ยมักแก็เลยเป็นตัวบอกความผิดความถูกบอกว่าเป็นคนถูกอย่างไรคนผิดอย่างไรคนถูกคนผิดก็มีเต็มโลกไปหมดนะี่ยเราจะบอกได้ยังไงว่าคนไหนผิดคนไหนถูกเพราะบางทีมันก็ปนป น, ปนกันอยู่เนี่ยถ้ า, าจะบอกได้ยังไงและเขาก็เป็นคนดีซะด้วยคนนี้นะ คนเนี้ยเขาก็ช่วยเหลือสังคมดีอะไรดีนะคนเนี้ยนะอย่างนี้ทํานองนี้เราจะบอกได้ยังไงนะบอกตัวเองนี่แหละไม่ได้ไปบอกใครเขาหรอกจะได้มีทางเดินของจิตที่ถูกต้องคนดีคนไม่ดีคนถูกคนผิดเราก็ดูตามมักแปะนั่นแหละถ้าคนมีสัมมาทิฏฐิก็เป็นคนถูกคนมิจฉาทิฏฐิก็เป็นคนผิดคนสัมมาสังกัปปะก็เป็นคนถูกคนมิจฉาสังกัปปะก็เป็นคนผิ ด, เ, นนผดเท่านี้เอง ไม่ยากนะไม่ยากใช้มร์แ8ดเป็นตัวพิจารณานะไม่งั้นเราก็จะพิจารณาไปตามโลกเขาโลกเขาก็มีคนดีมีคุณธรรมโน่นนี่นั่นเออคนนี้เขาก็เป็นคนดีนะมีคุณธรรมเยอะเราไม่ดูอย่างนั้นหรอกเพราะมันปนเปนกันได้เราดูว่าเขาเห็นถูกหรือเห็นผิดถ้าเห็นถูกก็ต้องตามพระพุทธเจ้าถ้าเห็นผิดก็ไม่ตามก็ชาวโลกจะดีแค่ไหนมันก็ทุกเหมือนเดิมแหละเราไม่ไปทางนั้นหรอกนี่อย่างนี้เราจะได้ช่ำระ ข้อปฏิบัติของเราให้ถูกต้องนะครับนี่มรค8ก็เป็นตัวที่จะช่วยชี้หรือว่าช่วยแยกแยะถูกหรือผิดโดยสภาวะทีเดียวนะทางโลกนี้เอาถูกเอาผิดเป็นสภาวะไม่ได้นะทางโลกมันเป็นสมมุติโดยมากถูกผิดโอ้เยอะแยะไปหมดนะฉะนั้นถูกผิดทางโลกอย่าไปจริงจังใครจะว่าผิดว่าถูกก็ปล่อยๆไปกาหนดว่ามันไม่เที่ยงไปนะเพราะทางโลกมันแน่นอนอยู่แล้วคือ มันไม่แน่นอนมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของสลายไปเป็นของหมดไปสิ้นไปให้เราอยู่กับเนี่ยฝ่ายมักไว้มักก็จะเป็นตัวช่วยว่าอันไหนถูกอันไหนผิดมิจฉาทิฐิเนี่ยมันผิดสัมมาทิฐิเนี่ยมันถูกนะคนเป็นคนดีเป็นสัพบรุษเป็นคนดีเป็นผู้สงบก็คือเป็นคนมีสัมมาทิฐิคนที่เห็นผิดเนี่เป็นมิจฉาทิฐิไม่สงบทั้งนั้นแหละ จะดูเหมือนสงบนั่งสมาธินิ่งจนเหาะได้อะไรได้ถ้ามีมิจฉาทิฐิแล้วมันก็ไม่สงบเหมือนเดิมเนี่ยเรามีหลักแล้วอย่างนี้เราก็จะไม่วุ่นวายไปกับโลกเขานะเราดูตรงมัคเป็นหลักไว้ไม่งั้นชาวโลกก็มีเยอะนะคนทําอะไรหวือหว้าวื้หวามีความรู้นู่นนี่นั่ น, นเยอะอะไรมากมายทั้งพุทธเราไม่ได้ต้องการความรู้อะไรมากหรอก ต้องการรู้อริยสัจ ส, สี่เท่านั้นแหละต้องการรู้จากทุกเนี่ยเป็นสัสจจะของพระอริยะถ้าคนพูดนอกนี้เราก็รู้แล้วโอ้เข า, าไม่ใช่ถึงเขาจะดีอย่างไรเราก็ไม่ว่าเขาถึงเขาจะไม่ดีอย่างไรเราก็ไม่ว่าเขาเราดูแค่นี้ว่าอ่ะที่ถูกเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐินะต้องรู้สัสจจะสี่นะเป็นสัสจจะของพระอริยะพระอริยะจะมาพูดนอกอริยสัจสี่ไม่ได้นะ จะต้องบอกให้เรารู้ทุกนะจะมาหลอกให้เราว่าเออคุณทำอย่างนี้จะได้รับความสุขความเจริญงอกงามคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดกาลนานเทินอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกพระอริยะท่านไม่มีหลอกเราอย่างนั้นหรอกนะท่านสงสารเราจะตายท่านจะมาหลอกเราทำไมอย่างนี้ท่านมีแต่บอกความจริงให้ว่าสักวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้รู้บ้างนั่นเองจะได้ไม่หลงเนี่ยเห็นหมแยกแยะได้ง่ายนะถ้าเข้าใจเรื่อง มักแปดนะต่อไปความสําคัญข้อเท่าไหร่แล้วเนี่ยข้อที่สามนะอ่าข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่สนะี่เนาะนะกนะ็ถ้านับไม่ถูกก็ไม่เป็นไรพ <c oughs> พูดปนๆกันนะให้ไปอ่านในหนังสือนะนะอันนี้พูดเป็นง่ายๆไว้ก่อนนะความสําคัญข้อต่อไปก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนี้เป็นข้อปฏิบัติที่จะ ทำให้ถึงความสงบอย่างแท้จริงสงบอย่างแท้จริงนี้ไม่ใช่สงบจิตแต่เป็นการสงบกิเลสกิเลสมันจะสงบได้ถ้าสงบจิตมันก็ไม่ปลอดภยัยเราต้องรักษาจิตอยู่เสมอมันก็ยังไม่ปลอดภัยจริงแต่มันก็ดีอยู่แต่มันไม่จริงจังถ้าจะสงบมันต้องสงบกิเลสไม่มีเครื่องก่อกวนเหมือนในห้องนี้มันจะสงบอย่างแท้จริงมันก็ต้องไม่มีคนมากวนนะแต่ว่าถ้าลึกซึ้งกว่านั้น ใจของเราต้องไม่มีกิเลสอะไรมากวนถ้าไม่มีกิเลสอะไรมากวนก็สบายเนาะทีนี้กิเลสอะไรก็กวนใจไม่ได้ก็ไม่ว่าข้างนอกมันจะเป็นอย่างไรจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมันกวนไม่ขึ้นแล้วก็สบายแล้วนี่อย่างนี้อริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละจะทำให้ถึงความสงบอย่างแท้จริงจะทำให้มีสมณะอย่างแท้จริงได้เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอระหันต ทำให้กิเลสมันสงบทำให้กิเลสมันไม่ฟุ้งขึ้นไม่ฟูขึ้นมันไม่กวนใจนะเพราะตัวก่อกวนเนี่ยก็คือกิเลสทุกท่านก็คงมีตัวกวนอยู่ยเรื่อยๆเนาะนั่นแหละคือกิเลสบางท่านก็สามีกวนบางท่านก็ภรรยากวนบางทีก็ลูกกวนเจ้านายกวนลูกน้องกวนนะเ อ, อมาน้อยกวนหรือแมวกวนหรือ คนขับรถข้างๆกวนมอเตอร์ไซค์กวนอะไรกวนๆเยอะแยะนะอันนั้นคือกิเลสตั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ของข้างนอกนะหมายถึงกิเลสในใจเรามันกวนเรามันกลวนตัวที่จะช่วยเอามันออกไปก็คือมักแปจะต้องเห็นให้ถูกต้องอย่าไปเห็นชาวบ้านเขาเห็นตัวกวนน่ยตัวกวนก็คือกิเลสถ้าเราไม่เห็นเราเอาออกไม่ได้เราต้องเห็นโทษของตัวกวนมันกวนเราแล้วเราสบายใจไหม ไม่สบายใจและเอาไว้ทําไมเล่านะอย่างนี้ทนนํานองนี้นะเราจรึงต้องเห็นต้องรู้จักนะถ้าไม่รู้จักนี่เราจะถูกกวนอยู่ยนี้ตลอดไปเพราะถูกกวนมันก็ไม่สงบนะอย่างนี้ทํานองนี้อริยมรรคมีองค์8ดจะทําให้กิเลสสงบ ก, กิเลส ม, มันสงบมันไม่ก่อกวนจิตใจนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ก็อานิสงส์ข้อที่สี่ก็พูดประมาณนี้ก็พอเนอะอาะอนิสงส์ก็พูดมีเยอะแยะ มีประโยชน์มากมายอยู่แล้วนะครับก็พูดให้พอได้เห็นคุณค่าเราทั้งหลายจะได้อยากศึกษาอยากเรียนรู้กันอยากฝึกปฏิบัติให้มันได้นะ